ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภควตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโม ทัสสะภควโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภควโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควโตอะระหะโต สมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคตฉามิพุทธังสรนังคตฉามิธรรมังสรนังคตฉามิธรรมังสรนังคตฉามิสังฆังสรนังคตฉามิสังฆังสรนังคตฉามิทุตยัมปิ พุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปิ สังขังสรรนังกัจจามิตติยมิพุทธังสรรนังกัจจามิตติยมิพุทธังสรรนังกัจจามิตติยมิธรรมังสรรนังคัจจามิตัติยมิธรรมังสรรนังกัจจามิตัติยมิสังขังสรรนัง ชามิตะกตียัมปิสังคังสารานังขัชามิติสรณ ะ, ะคัมมังนิธิตังอามะกันเตก <c oughs> ราบคารวะพว่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการหมูสมณะแระพิสูตรทุกรูปด้วยความเคารพครับ เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกและอยู่ที่บ้านทุกทุกคนวันนี้ก็ได้าพบกับรายการวิธีอารยธรรมเช่นเคยนะทุกทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา9กานิกาถึงส1บอนาิกาโดยประมาณนะวันนี้ตรงกว่าวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2557ร้าเดแรมสี่ค่ำเดือน1ปีมะเมียนะ <c oughs> ตอนนี้พ่อครูก็ยังอยู่ที่ชุมชนราชธานีโศกนะเป็นชุมชนของชาวอโศกนะที่ต่อตั้งมา20ปีเศษๆนะก็ถือว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะถ้าใครได้มาที่ชุมชนราชธานีโศกเนี่ยบ่อยๆก็จะไม่แปลกตาอะไรแต่ถ้านานๆมาทีเนี่ยก็จะแปลกตาไปเรื่อยๆแล้วก็จะแปลกตาไปยังพิสดารนะถ้าไม่มานานๆไปนะ เราอยู่ด้วยเรา่รู้สึกแปลกตาเลยเราเผ้อไปทีอ่านี่มันเกิดขึ้นแล้วอนีมันเกิด ข, ข, ขึ้นแล้วนนะคือเป็นเรื่องที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะในสังคมปัจจุบันนี้นะก็มีปัญหาะอะไรสังคมอะไรเกิดขึ้นมากมายนะที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าใครดูแลหรือปกครองประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาหนักใจไม่ใช่น้อยนะ ถ้าแต่มาไปเป็นนายกตอนนี้เนี่ยโอ้โหปวดหัวหน่าดูเลยละ่นะของล ำ, ลำบากลําบนทรมานตระกรรมมากที่มันลำบากมากก็นหนึ่งเพราะว่าหนึ่งความสามารถเราอีกหนึ่งสองคนที่จะทํางานร่วมกับเราอีกหนึ่งนะจะรองรับเราได้ไหมและทํางา น, นจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะาปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นเยอะปัญหาอะไรอบายาหมุกโอ้โหปัญหายาเสพติดปัญหาสารพัดอะพูดขึ้นไปมันก็แทบจะ ทุกก้าของชีวิตปัญหามละพิษปัญหาอรเยอะมากมายเกิดขึ้นปัญหาของแพงคือพูดกันไม่จบไม่สิน้นอะ่ะนะเพราะว่ามนุษย์นิยสร้างปัญหาสารพัดสารเพ์ที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จนจนตัวเองไม่มีทางออกอะ่ะแล้วก็วทุ้ายก็ตายไปกับ4ปัญหาที่ตัวเองสร้างมันเหมือนกับนิทานเรื่องไออะไรกวางน้อยอะ่ะนะที่มันหนีจากในพรานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็อาศัยพงหญ้าอยู่อะ่ะ แล้วมันก็ลอดจากในพลานมาได้สุดท้ายมันก็เผลอไปกินหญ้าหมดเลยสุดท้ายมันถูกในพลานยิงตาย <c oughs> อาตมาว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนใกล้ควางน้อยตัวนี้แหละมันไม่รักษาสิ่งที่ตั ว, ตวเองคุ้มครองตัวเองเอาไว้แล้วก็ทำลายหมดสิ้นแล้ว ก, ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยอาตมาไปเมื่อวันเมื่อวันซืนเนี่ยไปดู เกษตรกรที่ก็ปลูกผักไร้สารพิษแล้วก็ทํานาไร้สารพิษเนี่ยนะคือก็ไปเจอเด็กยาติธรรมคนหนึงลูกญาติธรรมคนนึงอะ่ะเขาเรียนอยู่มหาลัยนะเขาจะทำโปรเจกต์อันนึงนะเขาเป็นลูกญาทําอะไรแต่ก็ชอบกินพวกเอกวิกรนิกเนี่ยจะทําเรื่องอิศวกนิกนี่แหละแต่มาก็เสนอให้เขาทําสิ่งหนึ่งคือแก้วกน้ําปั่นผักไร้สารพิษเนี่ยนะก็บอกเขาว่ามันจะช่วยทําให้คนเนี่ยถายได้สะดวกเขาบอกโอ้ เพื่อนดนูว่านะไม่ถ่ายเยอะนะคือกินแล้วไม่ถ่ายเยอะแยะหลายค น, นแค่ให้แค่กินอาหารให้ถ่ายนี่ก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ได้สะดวกสบายละนะคือปัญหาทุก ว, วันคนแค่นี้แค่จะถ่ายมันก็มีปัญญาจะถ่ายเลยนะคิดดูแล้วเกิดขึ้นขนาดไหนอ่ะไม่ใช่ปัญหาธรรมดานะปัญหาสองเกิดขึ้นมากมายเลยละนะซึ่งมนุษย์ทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเยอะแยะตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวจนปัญหาถึง ก่อสร้างปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายอาตมาว่าคนเกิดมาที่จะไปช่วยแก่นี่มันจะโโหหัวบวมแนหนอยากนะนั้นถ้าใครทําได้เนี่ก็ถือว่าวิเศษและก็มีความสามารถสูงมากนะเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้อย่างที่อินเดียท่านนายกอินเดียตอนเนี้ยนะท่านก็จะทําให้อินเดียเนี่ยเป็นเมืองสะอาดก็เชิญชวนชาวอินเดียเนี่ยมาทําความสะอาดประเทศนะมา ปัดกวาดเช็ดถูกวาดขี่วัวทำความสะอาดส้วมอะไรนั่นขัดส้วมอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่นายกแปลกใหม่ดีนะนายกมาพาขัดส้วมเนี่ยมันไม่เรื่องธรรมดานะทำนู่นทำนี่เนี่ยแต่ว่าสังคมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเป็นรูปธรรมเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็พาประชาชนมาทำเศรษฐกิจพอเพียงกับพา ท, ทำเลยพาลุยเลยนะไปทำปลูกเนะ่ปลูกนี่ท่านก็ทาให้ดูเลยนะจน อาตมารู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าประเทศไทยเนี่ยที่มันไม่ล่มไปเนี่ยเพราะว่าในหลวงแท้ๆเลยวางรากฐานไว้ อ, อย่างนี้เลยไม่รู้ว่าตา ม, มาคิดผิดไปตาห ม, มามองดูงั้นนะเพราะไม่งั้นตาห ม, มาว่าประเทศไทยมันล่มไปและนะเพราะไปดูชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่รอดเนี่ยเขาใช้สติพะเพียงอยู่กันทั้งนั้นที่อยู่รอดเนี่ยคือเขาเพึ่งตนเองเขาปลูกข้าวไร้สารพิษมาเป็นเจดแปดปี10ปีแล้วก็มีผักกินเองมีอะไรกินเองมีข้าวกินเอง อยู่รอดมีต้นไม้ต้นไร่อยู่เองเขาพึ่งพาตัวเองได้นะไอ้ที่มันไม่รอดก็ไม่รอดไปที่มันรอดมันก็อยู่จํานวนหนึ่งที่อยู่รอดได้นี่อัตมาว่านี่เนี่ยสังคมมันไปรอดตรงนี้เท่าที่อัตมาไปดูมาเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยทำมาหลายปีแล้วท่านไปบ้านเขาเนี่ยไปบ้า น, กนเกษตรกรที่ปลูกผักไร่สมิทธิ์ทำสถิตบ่อเพียงเนี่ยไปเอาแล้วเดี๋ยวทั้งกล้วยทั้งของอะไรเต็มรถเลยนะท่านเอาไปท่านเอาไปท่านเอาไ ป, าาไปนะใส่รถเราไปอ่ะนะ คือถ้าไปบ้านพ่อค้าไม่มีอะไรนะแต่ไปบ้านญาติโยมเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ถุงถุงปุ๋ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยใส่ใส่สไปแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในการที่ข้าวเขางามโหท่านมาดูนี่ข้าวมันงามนี่เนี่ยขนาดนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยอินทรีย์โน่นนี่นี่เขาก็บอกปอ้กต้นกล้วยไว้รอบหมดนะมีต้นกล้วยต้นอ้อยมีผักมีอะไรกินเต็มไปหมดแหละคือที่บ้านก็ไม่ขาดแคลนอะไรไม่เห็นก็จะมีความเดือดร้อนเลยชีวิตเลยเขาเขาเล่าเขายังมีความสุขแล้วก็อยู่รอด มีปัญหาอะไรชีวิตมันก็ไม่มีเพราะว่าเขารากฐานที่ในหลวงวางไว้เนี่ยมันทําให้ประเทศไทยแต่มาว่าอยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึงปัจจุบันนี้แต่มาว่าถ้าไม่มีประเด็นนี้แต่มาว่าไม่รู้ประเทศไทยเย่อยยั บ, ยบอับอับจนขนาดไหนก็ไม่ทราบมันคงจะล้มแน่เลยนะเพราะว่าปัญหาของคนที่พาทำให้ประเทศชาติสิ้ายไวป้ป่วงถึงขนาดนี้ <laughs> มันแล้วมันอยู่รอดได้แต่มาว่าเก่งจริงๆเลยที่พาทำเลืากฐานนี้ไว้นะ นั้นวันนี้ก็พ่อครูคงนําเสนอเรื่องปัญหาสังคมเหมือนกันว่าคือพ่อครูนี่ก็เกิดมาก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมอะ่ะเท่าที่แตมารู้สึกอย่างน้อยแก้ปัญหาตัวแตมารหนึ่งละนะถ้าแตมาไม่มาเจอพ่อครูเนี่ยก็คงเป็นสร้างปัญหาสังคมมากมายมหาศาลนะเราไม่รู้ตัวเองอะ่ะใช่ไหมบ่าวบอไปไปดูดิดงไปเป็ น, ปนมีความสามารถในทางราชการอาีกอ้าวไปทํางานก็สร้างปัญหากับประชาชนอีกคงคนก็นนจะทุกข์เพราะเราหลายคนเหมือนกันแหละสร้างบาปสร้างกรรมไปเยอะท่านก็มาช่วย แก้ปัญหาตัวแตามาปัญหาสังคมมันก็ดีขึ้นอย่างน้อยสังคมที่รอบข้างแตามาคงจะดีขึ้นเพราะว่าแตมาไปทำลายสังคมแล้วก็ไปช่วยสังคมบ้างนะเท่าที่ตัวเองมีความสามารถซึ่งนี่แหละแตามาว่านี่คือแ ก, แก้ปัญหาสังคมที่พ่อครูทําอยู่วันนี้พ่อครูคงจะมาพูดเรื่องนี้ให้เราเข้าใจว่าไอ้สังคมที่มันเกิดปัญหาเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรแล้วการทํางานกับประเทศชาติเนี่ยคนที่ทํางานช่วยเหลือประเทศชาติเนี่ยจะทําอะไรให้ประเทศชาติเนี่ยมัน ปัญหาสังคมมันจะแก้ลงไปได้ <c oughs> อย่างที่เป็นเป็นอยู่นะอย่างที่ท่านพาทำอยู่แล้ว อ, อย่างที่ในหลวงพาทำอยู่หรืวอยท่ที่คาร์ดีพาทำอยู่เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาสังคมมันมากขึ้นเนี่ยจะทําอย่างไรและจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรดีก็ขอกราบนิบบนพระครูด้วยความเคารพครับอ่าเราก็มาพูดกันแล้วพูดกันอีกนะพูดกันอีกแล้วก็พูดกันแล้ว แล้วพูดกันแล้วแล้วพูดกันอีกเรามีหน้าที่พูดนะการพูดออกไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์ใครได้รับฟังได้รับรู้ได้ยินเขา้าเขาสะดุดเขาเห็นว่าื ม, มันน่าคิดสะดุดใจได้คิดแล้วเขาก็เห็นดีเห็นงามหรือ เห็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่เราเองเราเป็นเรามีอยู่เขาสะดุดสํานึกแล้วเขาก็แก้ไขปรับปรุงคนเราก็เกิดอย่างนั้นเน่ยเกิจากการให้สติกันเตือนกันสะกิดกันใหน้ได้รู้เด็เห็นให้เด็กอ่าเขาใช้สำนวนอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรกร ะ, ะตุกต่อมสํานึกอ่าสำนวนสมัยใหม่ เขาว่ากระตุกต่อมสำนึกนอาตมาก็เห็นว่ามันไม่มีงานที่มันทำได้ดีกว่า น, นี้อีกละเพราะงานที่พูดไปนี่แหละเป็นงานที่ทำได้ดีที่สุดละเรามีเจตนาในใจเจตนาปรารถนาดีแม้เราจะติจะว่าจะด่า ใช้คำหนักๆว่าด่าก็ได้บางทีก็ใช้คำแรงจนถึงขั้นเรียกว่าด่าก็ได้กระทบผู้นั้นผู้นี้ที่ตนทำแล้วเราก็เห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามเป็นภัยเป็นพิษต่อส่วนรวมสอบต่อผู้ที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องว่าต้องตำหนินซึ่งการตำหนิคนมันไม่ได้ รับความนิยมชมชอบอะไรหรอกการตําหนิคนคนที่ถูกตําหน่งเขาก็โกรธเอาเคืองเอาคนที่พักเป็นพวกก็ก็อโกรธเอาเคืองเอามันก็เท่ากับสร้างศัตรูให้แกตนเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกให้มันไม่เกิดศัตรูอย่างนั้นน่ะแต่มันเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องทำเราไม่ได้อยากให้เกิดศัตรูแต่มันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำ เพราะถ้าใครจะตั้งตนเป็นศัตรูเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ไเลยต้องกลมหนารับไปเขามีนะปฏิกิริยาสนองตอบมาแรงบ้างเบาบ้างยังไงเราก็ลบเป็นปีกลีกเป็นหางไปตามความรู้ความสามารถของเราเอาอาตมาว่าอาตมาตั้งแต่รู้ว่าเออตอนเองต้องมาทํางานหน้าที่นี้ ได้สำนึกว่าเราเองเราไปหลงโลกอยู่ตั้งสามสกว่าปี36ปีโออาตมาก็ททำงาน36ปีอยู่ทั้งโลกเียไม่ได้น้อยหน้าใครหรอกนะทมาหากินโดยความบริสุทธิ์เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยอาตมาคมเขาเลยเพื่อนรุ่นโดยกันเนี่คมก็ทำงาน ในลาบยศสันเสริญอะไรไปก่อนเขานําหน้าเข้าไปพอเรียงรุ่นเราก็ทําหน้าใหญ่ใจโตอวดเบ่งป้ายตามเรื่องตามราวอาตมามีเพื่อนรุ่นเยอะมหก็สองปีมเจ็ดมแปดก็สามสี่ปีโอ้เพื่อนเยอะพอตกหลายปีมหก็ตกสองปีก็มีเพื่อนรุ่นมหกตั้งสองปีมเจ็ดมแปดตกก็ไปอีกสมปี ก็มีเพื่อนรุ่นอีกก็ามาเจอเพื่อนรุ่นเลี้ยงรุ่นกันแทบไม่หวัดไม่ไหวนะมันมีเพื่อนเพราะช่างอีกมาเรียนเพราะช่างที่หลังเลยโ อ, โ, โอ้โหก็มีเพื่อนรุ่นอีกเยอะนะถ้าไปเรียนอื่นสงสัยมีเพื่อนรุ่นถ้าไปเรียนอุดมศึกษาอันนั้นนี่อีกก็คงมีเพื่อนรุ่นอีกเยอะจริงๆอุตามาก็เรียนธรรมศาสตร์แต่ว่าไม่เอาฐานไม่ไปเสกสูงสิงอะไรมากในธรรมศาสตร์เท่าไหร่เลยไม่เกิดเพื่อนรุ่นในธรรมศาสตร์เท่าไหร่ ถ้าเพื่อนรุ่นก็คือรุ่นไม่จบอีกเหมือนกันแหะแต่ยังดีนะยังจบม .6 มามา .8 ไม่ไม่จบก็เพื่อนเยอะดีและอาตมาจะเป็นตัวตั้งตัวตีที่มีติ่งกันมีเพื่อนรุ่นตะ ร, รุ่นตะ ร, รุ่นก็นเป็นตัวตั้งตัวตีแม้แต่ออกมาทำงานแล้วก็รวบ ร, รวมเพื่อนรุ่นนั้นรุ่นนี้มามีติ้งกัน การสังคมการมีเพื่อนมากมีอะไรก็เกื้อกูลกันมีทุกข์มีสุขอะไรก็แบ่งเบากันช่วยเหลือเฟื้อฟายกันมันเป็นกิจของมนุษย์ที่ประเสริฐการช่วยเหลือเกื้อกูลนี้เป็นความประเสริฐไม่ต้องถามคนฉลาดเราถามคนโง่ก็รู้การเบียดเบียนกันนะคมเบงกันทํารยทำไ ร, ย, ำรยกันนะี่เป็นความชั่วนะ ถามใครก็ได้ไม่ต้องถามคนฉลาดถามคนโง่ก็รู้ตอบได้หมด น, ะน่ะนะรู้กันอยู่แต่ทำไมทำก็เพราะกิเลสคนเรามันสู้กิเลสตัวเองไม่ได้ถามมันดีไหมไม่ดีแต่ทำถามยังไงก็ตั้งสติตอบมันก็รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ทำนะเพราะ สู้แรงกิเลสไม่ได้นี่แหละตัวสำคัญสู้แรงกิเลสไม่ได้เนี่ยคัญเพราะฉะนั้นคนเราเจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้เพื่อกำราบกิเลสเพื่อปราบกิเลสในตัวเราให้ได้วิธีปราบกิเลสนั้นนะ่ะศาสดาหลายศาสนาเขาก็คิดหนาะทางคิดนะมันจะไม่คิดนะคิดททุกศาสดา แล้วแต่ละศาสดาก็พยายามจะลดกิเลสไอตั ว, ต ว, ตวสำคัญที่มันไปบังคับให้คนทำชั่วเนี่ยนะโดวยวิธีกดข่มโดยวิธีไม่ค่อยรู้ตัวของตัวกิเลสอย่างชัดเจนไงเพราะจิตมันเป็นนามมาทำมันอ่านตัวจิตตัวอกุศลจิตที่เรียกว่าตัวกิเลสเนี่ยมันอ่านไม่เคยออกมันอ่านไม่ยไปจับตัวมันเคยได้ แต่พยายามทำรวมๆทำวิธีนั้นวิธีนี้กดข่มมันไว้ไม่ให้มันออกริดแรงให้มันเบาแล้มันหยุดมันอะไรเขาเมืม่อวิธีสารพัดหลากหลายวิธีหลากหลายอาจารย์ก็สอนกันไปเป็นสำนักสำนักเป็นลัทธิลัทธิเลยพระรูปเจ้าท่านก็หาทางเหมือนกันและอาตมาก็เห็นพระพุทธเจ้านี่นแหละหาทางได้พบสูตรสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จนกระทั่งสามารถจับจิตเจตสิกได้แล้วมันเป็นนามธรรมาเป็นอรูปไม่มีรูปร่างหรอกมีอาการเคลื่อนไหวเรียกว่าอาการเคลื่อนไหวแล้วเราก็จับอาการเคลื่อนไหวนี่แล้วก็กำหนดลงไปเราเรียกว่านิมิตจับตั้งนิมิตสร้างนิมิตเครื่องหมายทาเครื่องหมายงี้ว่าอาการก็เหมือนอาการอย่างนี้แหะอาการกิเลส อาการอย่างนี้อาการโลภอาการานี้อาการโกรธอาการานี้อาการหลงอ่านอาการมันออกอ่านออกชัดชัดเลยเขา้าใจชัดเจนเลยไม่ผิดเพี้ยนเพราะในจิตของเรามีพลังงานดีพลังงานชั่วพลังงานกิเลสกับพลังงานที่เป็นคุณประโยชน์เป็นคุณประโยชน์มันมีอยู่จริงเราไม่ไปได้มวกนะเรียว่าฆ่าส่งไปเลยเหมือนกับที่เขาะอะไรละ่ะ ค่าคนที่สงสัยว่าค่ายาเสพติดนะนะเ oh, ขาเรียกว่าอะไรพิส า, สามันฆาตกรรมไปตั้งเป็นพันๆหลายพันคนนั่นนะโดยไม่ชัดไม่เจนเลยค่ามั่วเลยเงี้ยโอ้โหบาปกินหัวตายเพราะเราจะต้องให้ชัดเจนเลือกเฟ้นตัวโจรให ถูกตัวโจรเต็มๆอย่าไปเอาส่วนเศษส่วนเหลือส่วนอะไรที่ของอื่นที่มันไม่ใช่โจรเอามาให้เขาตายเขาเจ็บไหมเขาเสียสภาพไปด้วยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นความรอบรอบคอบเป็นความมิเศษของพระพุทธเจ้ า, าจะต้องอานาการของจิตซึ่งท่านสอนไว้หมด อยากจะรู้อาการของสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนามธรรมเมื่อเราที่จะถูกรู้เรียกว่านามมารูปนามมารูปคือสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมาานามมารูปนี่ให้ได้อ า, อาการลิงคะนิมิตอุเทศท่านใช้คําสอนไว้ว่าจะต้องดูอาการก็มันแล้วก็สร้างเครื่องหมายและอาการนี่มันมีอาการหลากหลายต่างๆกันเรียกว่าลิงคะ นะซึ่งผู้จะรู้อย่างงี้ก็ต้องถ่ายทอดอธิบายสู่กันฟังตกทอดกันไปไม่ใช่อยู่ๆดีๆจะรู้เองไม่รู้เองเหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูถูกคนแต่ว่าท่านตรัสความจริงนะรู้เองไม่ได้เพราะเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าที่คนจะรู้ได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้ อาการรูนนามรูปนี่รู้โดยอาการลิงคณิมิตุเทศนี่เป็นภาษาบาลีเลยอาการก็บัลีอาการะนะอาการะลิงคณิมิตตุเทศอุเทศอุเท ศ, เ, ท ศ, เ, ทศเนี่ยเป็นภาษาบาลีเลยอาการก็มาเป็นภาษาไทยเราเพอเข้าใจแล้วาอาการคืออะไรคือกิริยาต่างๆของนามธรรมา อันนี้เป็นนามธรรมยอยู่ในใจของเราต้องฝึกหัดอ่านอาการตอนนี้อาการเศร้าอาการดีใจอาการเป็นสุขอาการเป็นทุกข์อาการโกรธอาการโลภอาการราคะน่ะอาการโทสะอาการโมหะอะไรเนี่ยเราต้องฝึกอาการเหล่านี้แล้วกำหนดรู้ให้จริงแล้วอ๋ออาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้ นี่แหละคือการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าผู้สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็มีวิธีการที่จะชำระหรือกำจัดอาการที่มันเป็นอกุศลพวกนี้ให้มันดับซึ่งวิธีการพระพุทธเจ้าก็ละเอียดมากเลยวิธีการที่เขาทำส่วนใหญ่เขาเรียกว่าสมถะกดคม่มทำกดคมทา ลืมๆทำทิ้งๆมันไปเฉยๆง่ายๆมันก็ได้ทำเข้าชำนาญมันก็ได้ก็หายไปแต่ของพระพุทธเจ้านั้นทำด้วยวิธีนั้นที่จริงเป็นสัสสญชาตญาณการกดข่มเนี่ยทุกคนทำําไม่มีใครเขาจะปล่อยให้กิเลสออกมาเพ่นพานน่าเกลียดหน้าชังอะไรหรอกกิเลสมันเกิดมาบางทีมันกรดๆตัเอาไว้ก่อนถอเองก็กดข่มไว้ เลือาแสดงราคามันมีราคาขึ้นมาก็ไม่กล้าจะแสดงเปิดเผยว่าไอยเรื่องอะไรมันเป็นสัญชาตญาณทำให้ชาติไม่ต้องเรียนธรรมะก็มันก็ทำอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ ว, ลวการกดข่มเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นําทการศึกษาเข้าก็จะรู้ว่าออ้โเราทำเป็นอยู่วิธีสมถะแต่วิธีวิปัสนาส เนี่ยอธิบายวิปัสนาการไปอาจารย์แต่สํานักสำักไปกันคนละแควเลยวิปัสนาคืออย่างไรวิปัสนาคือเห็นเห็นปัสสก์เนี่ยแปลว่าเห็นเห็นเอาตัวเนื้อแท้เราวิปัสนาเนี่ยคือเห็นเห็นเห็นกันได้อย่างแจ้งแจ้งวิยิ่งวินี่คือเห็นอย่างโอ้โหเห็นอย่างจริงๆยิ่งยิ่งเลยเห็นแล้วก็เมื่อเห็นแล้วเป็นไง ก็ทำทั้งเห็นเห็นนี่แหละและก็ทํำจนกระทั่งมันสามารถลดได้อย่างเห็นเห็นจะวิธีกดข่มเรียกว่าวิคคำพนประหารเราก็รู้ก็เห็นว่าอ่อนี่เราข่มกดมันสะกดมันหรือวิธีวิปัสนาในก็คือให้มันแพ้โดยความจรงิงให้มันลดให้มันละให้มันดับให้มันหยุด สลายหายไปเรียกว่าถูกปราบถูกกำจัดถูกฆ่าตายไปเลยด้วยปัญญาหนึ่งวิปัสสนาไม่จะไปกดคมเห็นด้วยปัญญาที่มันเป็นความจริงมันเป็นความถูกต้องมันเป็นความชนะที่แอบส์ลูดอัลติเมตเลยสุดยอดเลยเด็ดขาดเลยแอบส์ลูดนี่เด็ดขาด อัลติเมทสุดยอดนะมันอย่างนั้นเลยเพราะงั้นพลังของปัญญาจึงมีฤทธิ์มีแรงมีพลังเราเรียกพลังสลายละลายนี่ว่าไฟราคมันก็ไปกำลังเป็นพลังที่เราแพ้มันเนี่ยโทสะก็เป็นพลังเป็นพลัง ราคะตัวสะโมหะอะไรเป็นพลังหมดท่านถึงได้เป็นไฟราคะไฟโทวสะไฟโมหะแต่ไฟที่เป็นปัญญาที่มันจะมีริดมีแรงจนสามารถชนะไฟราคะไฟโทวสะไฟโมหะนี่แหละคือไฟปัญญาและไฟปัญญานี้ภาษาบาลีท่านมีเฉพาะเลยว่าฌ า, านชกเชิญสละอาเนี่ยซึ่งจะท่านก็แจกไปตามไวยากรณ์ ชายะชาณนะชาปะกะชาอะไรไปต่างๆชาชอกะเชิญสระอานี่ไฟคืออุณหาทาศาที่มีพลังงานที่มันเหนือชั้นก็ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะและมันสลายไปได้เลยพระเจ้นท่านก็มีพยัญชนะของท่านเมื่อมีสติสัชัญญะรู้ต่อตรวจสอบทาไปจนสัมปชานะ ต่อเนื่องรู้ไปอีกแล้วก็ปฏิบัติสัมปชะสัมปาเทติเข้าถึงเข้าบรรลุเข้าทำงานทาการเลยจากสัมปาเทติเข้าไปเป็นสัมปชติปปนะเข้าไปจัดการสัมปชติเสร็จนะสัมปสัมปาเปติจัดการใหญ่เลยตอนนี้สังเคราะห์สังขารใหญ่เลย เสร็จแล้วก็ถึงขั้นทำจนกระทั่งเห็นว่ามันได้ผลมันลดมันละลงก็ทำเข้าไปเรื่อยๆทำๆทเห็นว่ามันได้ผลก็ทำจนมันแรงจนมันเป็นสัมปัชลติมันเป็นกองไฟใหญ่โหมไม่เกิดการสดใสสว่างเรืองรองขึ้นแต่ก่อนมีแต่ความมืดครึ้ม มมนมองถูกกิเลสมันครอบงำคลุมไปหมดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเราแก่มใสสดใส ส, ส, สสว่างสะอาดขึ้นมาได้ก็เป็นการปฏิบัติได้ผลเรือว่าสัมปัติบรรลุสูงสุดก็เป็นสัมปสัมปันนะเป็นผู้เข้าถึงสูงสุดและก็ทำให้มันสมบูรณ์รอบทวนหมดเลยเรียกว่าสัมปติเวทะอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งอาตมาก็พยายามมีละเอียดกว่านี้นะอาตมาเอามาเท่านี้ก็เมื่อยแล้วมีพยัญชนะของบาลีมากกว่านี้ละเอียดกว่านี้ในลำดับที่มันใช้งานซึ่งเป็นอาการของจิตที่เป็นประสิทธิภาพของจิตทั้งสิ้นเลยแล้วก็มีการทำหน้าที่ของแต่ละแต่ละคำแต่ละคาพวกนี้ทำกันจริงๆ วัศึกษาดีๆเราจะเห็นว่าโอ้โหความละเอียดลึกซึ้งของพระเจ้าเนี่ยยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้อยูุทวันนี้ทางวัตถุนี่ละเอียดกว่าวัตถุมากละเอียดเจ็บเลยนะสุขุมานิปุนาสุขุมประณีตปณีตาสุขุมานิปุนาประณีตสุขุมเรียบละเอียดมากจริงๆนะเมื่อเราเรียนไปศึกษาไปอนามิตามพวกนี้เราจะค่อยๆเข้าใจเห็น สิ่งที anta, ana, you, caminho, ่แตกต่างยังสัมสัมสัมปัญญะแตกต่างกับสัมปชานะอย่างไงสัมปชานะแตกต่างกับสัมปัตตาเทติอย่างไงสปาเทติแตกต่างกับสัมปัชชติอย่างไงอะไรเงี้เป็นต้นมันมีมันมีลักษณะแตกต่างกันลิงคะแต่มีหน้าที่กันมากน้อยสูงต่ําแรงเบาอะไรต่างๆกันหรือคนละหน้าที่คนละมุมอะไรเงี้ยต่างลักษณะคนลลักษณะเงี้ย โอ้โหยิ่งใหญ่จริงคําสอนวเจ้านี่อธิบายวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตเสื้ออาตมาเนี่ยที่พูดได้นี่ก็ขออภัยต้องมีสภาวะนะไม่มีสภาวะอะาตามาจะเอามาไล่เลี้ยงพวกนี้เนี่ยเละทะกันใหญ่มันไมน่ไม่ไมใช่เลแเทะคุณพูดไม่เป็นหรอกคุณจะเอามาพูดเองไงเ ม, ม, ม, มื่อนมันไม่มีอ่ามันไม่ ม, มีมันก็พูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่อง เพราะเมื่อผู้ที่มีสภาวะนี่เราเอาสภาวะมาคลี่คลายขยายซึ่งอาตมาจะคอยืนยันว่าอาตมาบรรยายธรรมะนี้เอาสภาวะเป็นหลักพยัญชนะนี่ก็ตามบัญยาติเดิมซึ่งอาตมาไม่ได้ศึกษาชาตินี้แต่เขา้ามาแปลเป็นไทยก็พอรู้จักที่แปลเป็นไทยเอามาใช้ดูก็ตรวจสอบตามความหมายภาษาไทยก็อันไหนเข้าไปหมายถึงอะไรก็พอรู้ตามภาษา เพราะฉะนั้นบางอันมันก็เออเพี้ยนๆเราก็มันอย่างงี้นะตรงๆมันต้องนี้อัตมาก็เอาตามที่อัตมามั่นใจว่าความถูกต้องของสภาว่าจริงเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็นํามาเสนอเพราะนั้นบางอันท่านเข้าใจผิดเพราะมันจะมีสภาพที่ตีกลับมันจะเป็นเสพเป็นสภาพที่ตีกลับเช่นพอเดินทางไปท้ายไปสุงกระสุดท้ายแล้วแล้วก็กลับกลับมาควา แล้วก็เดินวนอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาคนที่ไม่มีระ น, นาบที่สูงกว่านี้เขาก็อยู่ในระ น, นาบเดียวเดินไปบาปทรายไปหักขวากลับมาก็มาหาทรายขวาอยู่ในระ น, นาบเดียวไม่มีฐานสูงขึ้นเช่นแปลว่าบาปแ ล, ล้วก็ไปทําไปเรื่อยๆบาปให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆเวลาเดินทางไปมันไปเดินทางไม่ได้ขึ้นเลยเดินทางไปในทางระ น, นาบเดิมไปสุดท้ายก็เอาจบบาป ก็กลับมาใหม Bond ่อ้าวกลับมาจะเป็นบุญอ้าวไม่บุญละมันก็กอบมาหาบาปอย่งก่าบาปไปหาบุญบุญไปหาบาปวนอยู่ที่ตรงบาปตรงบุญไม่รู้ว่าไปไหนไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ทางโลกุตระนี่พอทําบาปยเนี่ยเราก็ละบาปไปให้มันเป็นบุญให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงขีดหนึ่งมันก็จะวนกลับมาแต่มันก็วนกลับมาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ย เนี่ยตมาทำไม้ทำเมือให้ดูนี่มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันก็ไปซา้ายไปขวาเหมือนกันอันนี้แหละเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่อัตมาใช้ภาษาซึ่งภาษาบาลีท่านว่าปฏตตินิสักขะสลัดคืนไปแล้วตรงนี้มันก็สลัดคืนมาแต่มันไม่ได้คืนมาอย่างเก่ามันเป็นสวรรค์ใหม่สักขะนี่แปลว่าสวรรค์ปฏตินิสักขะแปลว่าทวนสวรรค์ที่ไม่นี่แปลว่าไม่ ที่ไม่ใช่สวรรค์เก่าและเป็นสวรรค์ใหม่ปฏินิสสคระสภาพมุนรอบเชิงซ้อนที่มีชั้นสภาพมุนรอบเชิงซ้อนที่มีชั้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นความจริงว่าที่ท่านไม่เข้าใจและท่านก็พูดแปลตามแต่ท่านเข้าใจเช่นท่านเข้าใจคําว่าบุญ ยังไม่ชัดยังไม่แน่ยังไม่จริงท่านึงเอาไปแปลบุญในอภิสังขารสามบุญญะบุญญ า, าอภิสังขารอภิสังขารเป็นบุญก็แสดงว่าชําระกิเลสได้พอชําชระกิเลสได้มันก็ได้ไปจนกระั่งถึงขีดมันก็จะต้องทวนปฏิทวนกลับทวนกลับก็เป็นปฏินิสขะมันก็จะขึ้นไปหาใหม่ ไม่ใช่ด้านาบเก่าไม่ใช่ซ้ำเดิมไปมาบาปว่าไปหาบุญมันก็ไม่บุญเมื่อกลมาหาบาปอย่างเก่าพอไปตรงนี้ไปบุญบุญบุญจะบาปเดินทางให้เป็นบุญมันก็ไม่ได้บุญไปถึงสุดท้ายมันกลับมาเองก็เป็นอ่ะบุญมันไม่บุญนะมันก็กลับมาใหม่ก็เป็นบาปท่านก็เลยแปลว่าบาปเมื่อไม่ใช่บุญมันก็เป็นบาปท่านก็แปลอ่ะบุญยะแปลว่าบาปเพราะท่านไม่มีความเข้าใจในฐานของ ปฏินิสสกะในฐานของความวนรอบเชิงซ้อนที่สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยทั้งก็แปลว่าบาปมันก็เลยวนอยู่ในระนาบบาปบุญบุญบาป บ, บ, บ, บาปบุญบุญบาปกลับไปกลับมาอยู่ในระนาบเดียวมิติเดียวแต่ถ้าเป็นโล ก, กุตระเป็นสภาวะที่จริงใช่มันจะต้องมันก็ต้องนี้ในโลกมันวนเวียนเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นอื่นมันวน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอย่างนั้นนะเพรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถอดดับได้แล้วเราก็ต้องวนกลับมาเริ่มต้นอีกไปทวนไปเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆแต่มันมีความสูงขึ้นเราจะต้องรู้ในฐานที่สูงขึ้นได้เป็นโลกุตระหรือลงมันลงต่ำํำไงนะมันลงไปใหญ่เลยลงใหญ่เลยซ้อนชั้นไปลงใหญ่เหมือนกันซ้อนชั้นลงข้างล่างได้เมื่อไอ ตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงครับสิ่งยากยังยังไม่ให้ผ่านตรงนี้อะไรต้องโทษกลัวอธิบายนี่ครับอะไรคือหมายความว่าผมท้านเข้าใจก่อนนะอถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไปทําบุญนะพายว่าเขาไม่ได้ลดกิเลสเขาก็อยู่ที่เดิมใช่กลับไปกลับมาเขาก็อยู่ที่ปัญญชนะว่าบาปแล้วมันก็บุญบุญแล้วก็บาปบาปแล้วก็บุญบุญแล้วก็บาปอยู่อย่างงี้เพราะว่ากดข่มอยู่เฉยไม่รู้ว่าบุญคืออะไรครับ แต่ของโลโกตัลล่าเนี่ยเมื่อเราลดกิเลสไประดับถึงแล้วเนี่ยเราก็ทําดีเพิ่มขึ้นเสียสละเพิ่มขึ้นมันก็ดีไปในตัวเขามันอยู่แล้วทําลดกิเลสเนี่ยเพราะธรรมปัมมะปุรเจ้านี่คือการปฏิบัติทั้งทั้งนอกทั้งในพร้อมกันมีกรรมเกรียากายวา จ, าจาใจไปปลอกกันหมดกิเลสลดไปตนเองก็ได้ลดกิเลสที่ทำกับโลกก็รู้เลยว่ากุศลและอกุศลแบบโลกมันเป็นยังไงเราก็ไม่ทํา ที่เป็นอักขุนอยู่แล้วทางในเราก็ดับอักขุศรจิตด้วยครับมันได้ประโยชน์ทั้งสองด้านพอเราทําดีเพิ่มขึ้นเราก็พบกิเลสเพิ่มขึ้นคือย้อนมาที่เดิมแต่ว่ากิเลสเป็นตัวที่ละเอียดขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมไึกขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วเราก็ล้างอิเลสตัวนั้นอีกใช่ก็ไปด้านโน้นอีกแล้วเราก็อันนี้มันได้แล้วหมดแล้วเราก็ต้องไปตัวใหม่ตัวใหม่มันก็เริ่มต้นที่ตัวหยาบของตัวใหม่อีกอย่างเก่าครับ ตัวนี้ตัวหยาบตัวนี้เราทําไปจนหมดแล้วแล้วก็อ่าหมดแล้วจบกิจแล้วตัวนี้เราก็มาทําใหม่ทำไมก็ตัวหยาบตัวใหม่ครับก็ล้างไปอีกก็ไปอีกหมดอีกหมดอีกก็จบตัวนี้อีกก็มาทําตัวใหม่อีกมันก็หยาบอีกตั้งแต่ต้นมันหยาบก่อนมันจะมันก็ตัวใหม่มันก็ต้องหยาบอย่างที่มันเป็นอยู่ก็เอาไปอีกก็หยาบตัวใหม่แต่ตัวหยาบหยาบพวกนี้เนี่ยมันก็จะเบามันก็ตัวที่หยาบจริงจรก่อน ตัวหยาบต่อมาหยาบต่อมาหยาบต่อมาก็คือมันมีหยาบถ้าผู้พูดจามีหยาบกลางละเอียดแต่ว่าในกลางก็เป็นตัวหยาบของในักลักษณะนั้น่อไปเป็นขั้นตอนเป็นศักยะในระยะนั้นเป็นระดับสักยะตัวใหม่เข้าใจขอบคุณดีนะที่อาตมาอธิบายสู่ฟังพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่อาตมาเข้าใจเองทำมาแล้วอาศัยขันส่วนอดีต เอามาเอามาทบทวนเอามาพูดขึ้นให้สู่ฟังอาตมาจึงยืนยันว่าอาตมานาของเก่าเอามาเล่าเอามาอธิบายหลายอย่างเห็นว่าทั้งนี้ที่ท่านสอนกันที่ท่านเข้าใจกันไปผิดเพี้ยนไปจนมาอธิบายกันผิดอาตมาก็มาแก้ด้วยความจริงใจไม่ได้ต้องการใหญ่ไม่ต้อ ง, องการเบ่งไมไ่ต้องการเอาชนะคดคานอะไรเลย ด้วยความจริงใจว่าอันนั้นมันผิดนะมันใช่ไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นไปใช้เงนินมันยิ่งจะไปกันใหญ่ก็เอามาบอกกันนะแต่ที่ท่านได้ยึดถือผิดเป็นถูกกันแล้วนี่แหละอันนี้และน่าเห็นใจจนเป็นสถาบันจนเป็นสิ่งที่ยึดถือติดกันยกย่องไว้เลยเพราะนั้นคนใหม่ถ้าไม่มีริษ จ, จริงไม่มีการพิสูจน์ความจริงได้จนกระทั่ง สามารถยืนหยัดยืนยันได้จริงนะไอ้ที่ผิดนี่ก็ชนะอยู่นั่นแหละไม่รอดหรอกไอ้ถูกก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนสังคมได้นะอาตมาทํางานมาสี่สิกว่าปีนี้เหนื่อยเหนื่อยยากมากเลยเพราะยึดถือกันยึดถือกันว่าอย่างนั้นะถูกแล้ว แม้จะฟังโต้เถียงไม่ได้อะไรก็ยังยึดอยู่งี้ยน่ะอ่าโต้เถียงไม่ได้แล้วทั้งความเข้าใจเหตุผลทั้งหลักฐานจํานวนอัตมาอ้างอิงทั้งหลักฐานจากพระเตปิฎกเหตุผลเราได้อธิบายนอกจากเหตุผลแล้วให้คนมาพิสูจน์ด้วยคนก็มาปฏิบัติพิสูจน์มีผลยืนยันมีบุคคลปฏิบัติได้เป็นจริงแล้วเขาก็ยืนยันว่าอีกได้จริงลดละจริงมันลดละจริ ง, ลลรงไหมก็ยืนยันอยู่ ขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมไม่ยอมแก้ไขแต่ดีขึ้นดีขึ้นตรงที่ว่าไม่กล้าที่จะมาทวงอีกแล้วไม่กล้าที่จะมาตอแยบอาตมาอีกนักแต่ไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละอาตมาว่าตะขืนยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่ตั้งใจและก็มีสิทธิ์มีอำนาจมีหน้าที่ ที่จะนำพาเปลี่ยนแปลงได้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นตัวการจะเป็นบาปก็เป็นบาปของคุณนั่นแหละใช่คุณจะหารบรู้ของท่านนั่นแหละของท่านนั่นแหละท่านเป็นผู้ที่มีอํานาจมีฤทธิ์มีแรงมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดกลุ่มมูนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ท่านไม่ไม่ทำตามแต่ท่านไม่พยายามที่ช่วย คนอื่นเขาเข้าใจจนท่านก็จำนวนแล้วและเข้าใจแล้วว่าเออถูกต้องแล้วเพราะอาตมาได้ยืนยันพิสูจน์ทั้งหลักฐานยืนยันจากหลักฐานประเถปิดกหลักฐานที่ถือด้วยกันยึดด้วยกั น, นทั้งเหตุผลบรรยายาต่างๆทั้งในการเอามาพิสูจน์ตนเองได้พาคนอื่นพิสูจน์นอกจากพิสูจน์แล้วเขาก็ประพฤติเป็นพฤติกรรมสังคม เป็นพฤติกรรมสังคมอย่างชาวโสรลนี้มาประพฤติมาเป็นคนที่ละลดไม่สะสมกอบโกยอปัจจยะนะไม่สะสมไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเอารัดมันก็จนมันก็หมดไปมันก็แสดงสละออกสละออกไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้สะสมมันก็มีน้อยเป็นธรรมดาแต่มีน้อยแล้วเขายินดีพอใจเป็นสุขแล้วก็ทํางานทําการสร้างสรรค์ช่วยสังคม ได้ไหมได้กับคนที่มีรวยรวยด้วยเนี่ยพวกคนจนเนี่ยพวกคนที่ไม่สะสมเนี่ยออกไปทํางานให้สังคมได้ดีกว่าพวกรวยรยพวกรวยรไม่ค่อยออกมาออกมาน้อยกว่าด้วยพวกห่วงมากกว่าภาระมากกว่าแต่พวกจนเนี่ภาระน้อยลงห่วงน้อยลงมีพลังเลือเฟือมีมเวลามากมายมี อะไรตะไรออกมาช่วยได้มันก็เป็นจริงอัตมาก็ยิ่งเห็นว่าสัจธรรมที่ได้พาปฏิบัติประพฤติมีผลอย่างนี้มันมีผลยืนยันได้จริงคนก็เข้าใจคนที่มีปฏิาณปัญญาพอจํานวนไม่กล้าเที่ยงแต่กิเลสมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังได้บรลลังก์มันยังติดยังเสพอยู่นี่แหละอัตมาก็มีหน้าที่ที่จ ะ, ะกระแทก ก, ก, กระทุ้งก็แทกกระทุง้งต่อไปทำต่อไปไม่มีหยุดไม่หยุดนอกจากไม่หยุดแล้วตั้งใจจะอยู่ยืนยืนยาวๆด้วยจะอยู่ให้นานด้วยได้ะจะรักษาแรงให้มีแรงมากๆไม่ให้รดจรแรงแล้วจะกระแทกกระแทกแรงแรงอย่างเก่าดีไม่ดีกระแทกให้แลกแทงอย่างกระแทกแรงกว่เก่าอีกอ้ย่อด โอ้ยตายเอางี้เลยน่ากลัวเนาะขนาดนั้นยังไม่กลัวเลยเ อ, อว่าน่ากลัวยังไม่กลัวเลยโอ้อโหด้านทนจริงๆนะก็เป็นเรื่องธรรมดาอาตมาก็เข้าใจแลก็พยายามไปภาคเปลี่ยนไปไม่ได้ท้อถอยอาตมาว่าอาตมานี่ใช้ศัพท์ว่า อาตมาไม่เคยทอไม่เคยพาถอยแม่แต่หนึ่งเก้าและก็เปิดเผยทำอย่างเปิดเผยไปตามควรไม่ได้พาลงใต้ดินแม่เท่าครึง่งเมล็ดงาโอ้จำนวนโพธิรักนี่เลือกกินนะนะไม่พาถอยแม่แต่หนึ่งเก้าไม่พาลงใต้ดินแม่แต่ครึ่งมเมล็ดงาเปิดเผยแล้วก็พาลุยไปเรื่อย แต่ก็รู้บัญญาบัญญังบอย่างสมควรนะมาถึงวันนี้แล้วเห็นผลอาตมาพูดได้ว่าเห็นผลยังโชคดีที่คนไทยยังมีปัญญาพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้นะสอนพระษาวกตั้งแต่ได้ภิกษุผู้บรรลุธรรมตั้งแต่ใหม่ๆว่าพวกเธอจงไปจาริกไปแต่ละแห่ง ไปคนละที่คนละที่ไม่ต้องไปคู่เพราะมันมีน้อยแยกกันไปไม่ต้องไปทางเดียวสองรูปไปทางเดียวคนเดียวทางเดียวคนเดียววันดวเลยลุยจงแสดงทำให้งานในเบื้องตน้นในท่ามกลางและในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักรสุขเหลือน้อยนั่นนะ่ะมีกิเลสน้อยในจักรสุขยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้เนี้รอได้ฟังธรรมท่านนั่นนะ่ะพอฟังธรรมก็จะกสะกิดจโอ้ผู้มีในทุลีในดวงตาน้อยแต่ผู้ใดมีภูเขาในดวงตาเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่กระดิกลับ แสดงทำให้ตายังไงมันก็ไม่มีทางกระดิกนะผู้มีภูเขาในดวงตาเนี่ยเพราะผู้ที่มีทุลีในดวงตามีกิเลสไม่ไม่หนาไม่ใหญ่ไม่หนักจนเกินไปเนี่ยเขาจะฟังธรรมรู้เรื่องแต่ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมแต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมก็จะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมเขามีอยู่ นี่เป็นจำนวนรู้เจ้าท่านตรักสกระสงที่ท่านให้ไปทํางานนะกลุ่มแรกเลย60สบองค์แรกจงไปและก็จาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มวลมนุษย์อัตมาก็ต้องทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ไม่ได้ทำผิดไปจากคําสอนของพุทธเจ้าเลยมั่นใจว่าตัวเองจริงใจตามภูมินะจริงใจตามภูมินี่แหละอาตมานะใครไม่รู้จักก็รู้จักซะด้วยนะจริงใจตามภูมินะตอนนี้จริงใจตามภูมิก็พักยกไปปล่อยให้แต่จริงจังตามพ่อเป็นคนเขียนจริงใจตามภูมิก็ พนะักยกจริงจั ง, จ ง, จงตามพ่อก็ทำต่อไปนะก็ได้ผลนะได้ผลไปตามลำดับทำตามรู้เจ้าเราเองเราได้สิ่งที่ได้จากพระพุทธเจ้าอัตมานะถ้าจะว่าไปแล้วมันจะเป็นการอวดโออะไรเกินการนะเพราะงั้นอภพักไว้ก่อนขนาดนี้ก็อวดจนหน้าอ้วกแล้ว หลายคนก็โลหิตร้อนพุ่งออกจากปากคือพระเจ้านี่ท่านเทศขนาดพระรูปเจ้านะท่านยังต้องเป็นยังงั้นเลยท่านเทศในภิกษุฟังร8อยแปดสิบรูปห0สบรูปฟังโอโหบรรลุธรรมพรึบเลยห0สิบรูปบรรลุธรรมนะอีกห0สบรูปนี้นะ ลาศึกเลยโอ้ไม่ไหวลาศึกส่วนที่เหลืออีกหกสิบรูปนั้นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากเลยตายโอ้มันแรงนึกขนาดนั้นแรงถึงขั้นคัดคนที่บรรลุทําได้เสร็จไปเลยส่วนหนึ่งในสมส่วนอีส่วนหนึ่งในสามไม่เอาแล้วศึกเลยนี้เลย อีกรูปส่วนหนึ่งในสามตายคาที่เลย <laughs> โอ้โหรุนแรงจริงๆโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากอโอ้โหน่ะอัตมาก็เลยเอามันก็ทำไงได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังได้ยังงั้นั้นอัตมาเองไปเก่งพระพุทธเจ้าได้ไงมันก็ต้องมีบ้างแหละ ก็โดนเอาเอเอภาวะที่ก็ตอบโต้คืนโดนหมัดโดนท้องอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมดานะเ น, น, นี่ยพระเจ้าท่าก็ตัดนะเนี่ยที่มีสูตรนี้ยืนยันนจิตรลุเนี่ยไม่ยืนยันในพระพุทธเจ้าตัดนะพระพุทธเจ้าตัดบวยกรณ์นี้เสร็จจบลงนะโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากของภิกษุหกสิบรูปภิกษุหกสิบรูป ลาสิกขาศึกออกมาเป็นเครือหันกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้วีพรภาคมันทำได้ยากทำได้ยากแสนยากส่วนอีก60สรูปนั้นจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถึงมัน น, นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือ ว, ว่าคำตัดที่พระพุทธเจ้าท่านล่าสันพูดในฟังอัตมาทำงานนี้ด้วยความ บอกตรงเลยเบิกบานด่าเริงถูกดายังไงก็เบิกบานด่าเริงไม่ได้เป็นคนหน้าด้านหน้าทนอะไรหรอกนะไม่ใช่หน้าด้านหน้าทนแต่อาตมาก็รู้ว่าเขาด่านะรู้ว่าเขาต้องด่าเพราะเขาไม่ไม่เข้าใจอาตมาไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงใจนั่นหนึ่งสองไม่รู้ว่าสิ่งที่อาตมาเสนอนี่เป็นสิ่งดีสิ่งถูกต้องเขาก็มีเจตนาดีเอาสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องมาเสนอได้ไงเขาก็ด่าให้เท่านั้นเองก็เป็นจริงอ่ะเขาก็จริงใจ อาตมาไม่ได้ไปจิตไม่ได้ทุงัสอะไรหรอกก็ต้องเห็นใจเขาถ้าเขารู้ก็จะไปด่าอาตมาได้ไงเขารู้อาตมาสิ่งที่ดีเพียงแต่เขาไม่ตอบโต้ไม่วาอะไรออกมานั้นก็ดีแล้วแต่จะให้เขามาสนับสนุนส่งเสริมนั้นรอไปอีกหน่อยก็อาจจะหลายหน่อยหน่อยเดียวก็คงยังไม่ยังไม่ทำก็ไม่เป็นไร ร, รอรอได้แต่อีกกี่หน่อยก็อาตมารอนะ อีกหน่อยสองหน่อยหหน่อยสิบหน่อยอะไรก็รอนจนกว่าเขาจะกล้าที่จะสนับสนุนอาตมาว่าัฒาเมืองไทยเราเนี่ยกล้าสนับสนุนสิ่งที่ดีที่ถูกต้องจริงๆกันเนี่ยโอ้อันนี้นะอาตมาว่าเมืองนอกนี่เขาส่งเสริมคนดีเห็นว่าใครดีนี่เขาส่งเสริมเลยโอ้โหสนับสนุนส่งเสริมกันปึ๊บๆเลยแต่เมืองไทยเนี่ยไม่จบบเจ้าพกล้วย ไม่ค่อยส่งเสริมคนดีอันนี้เละเป็นข้อบอกพร่องที่ขอตาหนิตีเตียนคนไทยไม่ค่อยส่งเสริมคนดีแต่ไปส่งเสริมคนชั่วไปหลงหลายคนที่ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเช่นไปส่งเสริมอบายมุขใครเด่นในอบายมุขเอาไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์เลย เอาตัวเด่นในอบายมุขมาเป็พรีเซนเตอร์แทนที่จะเอาตัวเด่นในทางอาริยะในทางประเสริฐในทางคุณธรรมมาเป็นพรีเซนเตอร์ส่งเสริมเ ท, ทิดทูนอา้าวกลับไปยังโง่ไอ้นี่ละแมมันน่าเศร้าใจเลยการมองมุมที่มันคนละเรื่องกันเนี่ยน่าเศร้าจะว่าไปแล้วอาตมาไม่ใช่โทษนะไม่ได้ลงโทษคนไทย คนไทยเนี่ยอาตมาว่ามีจิตริษยาเยอะไม่อยากให้ใครได้ดีไม่อยากให้ใครได้ดีดดนั่นเป็นยังไงแต่คนเมืองนอกเขาโอโหเห็นคนดีเขาสนับสนุนส่งเสริมเขาถึงเจริญเร็วไงเขาถึงไปได้ปวดปวดๆๆแต่คนไทยไม่ส่งเสริมคนดีนะไม่ส่งเสริมคนดีดีไม่ดีก็ไปช่วยคนช่วยอีกต่งางหาก โอ้ยแล้วมันจะไปไหนรอดมันก็อยู่เงี่ยงมงงมงงามอยู่เงียนีเพราะนั้นตอนนี้อาตมาว่ามันน่าจะต้องส่งเสริมมันน่าจะได้ทำน่ะอาตมาว่าตอนนี้นี่นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิวัติมาเนี่ยอาตมาก็าาพูดนำมาพูดหลายทีแล้วว่าอาตม า, ามองตามภูมิปัญญาของอาตมาว่าต้องส่งเสริมนะ พอดีได้อ่านขลั์ในบทบทความในแนวหน้าคุณสุทินวันบนบวรบวรไปแปลไปเขียนแล้วเอามาเรียบเรียงเป็นบทความในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาบทความคุณสุทินชื่อให้ชื่อบทความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักปฏิวัติธรรมดา พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักปฏิวัติธรรมดาประวัติการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยทหารหรือแม้แต่คณะราษฎรยึดอํานาจจากรัฐบาลที่ยังปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์แต่พลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจ บ, บริหารประเทศมาจากรัฐบาลที่ล้มเหลวฟังประเด็นให้ชัดๆนะเขาบอกว่า รัฐประหารเรีว่าที่เคยปฏิวัติกันมาก่อนๆเนี่ยคณะทหารก็ดีคณะรัฐคณะราษที่ยึดอำนาจก็ดีรัฐบาลยังปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์อยู่แล้วก็กปฏิวัติส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นน่ะยึดอำนาจบริหารประเทศจากรัฐบาลที่ล้มเหลวล้มเหลวไม่เหลืออะไรเลยด้วยนะล้มเหลวออยังเละเทะเลยนะ แล้วเาก็กอบกูปฏิวัติขึ้นมานะอ่านบทความทั้งอันนี้ให้ฟังดูดีๆนะน้องสาวอาตมาอ่านเจอแล้ว า, าก็เฟซมาบอกมาบอกผู้ที่เขาเปิดเฟซอาตมาไม่มีเฟซบุ๊กอาตมาไม่มีลายนะอาตมาก็มีแต่คนอื่นนะเขาก็ส่งมาเข้ามาถึงอาตมา บทความว่างนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการปฏิวัติธรรมดาเหมือนผู้ปฏิบัติการปฏิวัติในประเทศไทยที่ผ่านมาหลายครั้งการเหมารวมว่าพลเอกประยุทธ์คือผู้ปฏิบัติการทหารเหมือนคนก่อนๆตามความเข้าใจที่เคยชินของตะวันตกตะวันตกก็เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันการลงทหารปฏิวัตินี่ถือว่า คุบตาเลยพลเอกคือพลเอกประยุทธ์คือพระเด็จ ก, การทหารเหมือนคนก่อนๆตามความเข้าใจที่เคยชินของตะวันตกและการใช้วิธีทูดปากโป้งโวยวาย น, านี่แปลมาจากเขาแปลคุณสุทิยนก็แปลมาจากภาษาอังกฤษเลยไมโครโฟ น, นดิปโลมีซีเมกคโฟนเสียงดัง ไมโครโฟนดิปโรมซีนะเรียกว่ามันเป็นการทูดนะวิธีวิธีทูดนะดิปโรมซีวิธีทูดเป็นมันปากโป้งของพวกที่ใช้วิธีการทูดทั้งหลายแต่จะเป็นเมกาโฟนเนี่ยกดดันลงโทษประเทศไทยนะใช้คุณสุธินธพยายามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยว่าวิธี วิธีใช้วิธีทูดปากโป้งโวยวายเรียบเรียงคำได้ดีมานะเนอะเรียกว่าสร้างกรุปคำที่แปลออกจากมาไมโครโฟนดิปโลเมซีได้เข้าท่าดีนะวิธีทูดปากโป้งโวยวายกดดันลงโทษประเทศไทยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพลาดและตัดสินเร็วเกินไป เนี่ยมันเดินมาแล้วอนนี้ปฏิวัติถือว่าเป็นทหารทําขึ้นมานี่แน่นอนอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทํางี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือถือตื้นๆนเหมือนกับถือว่าประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้เลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยคล้ายกันถ้าปฏิวัติโดยทหารไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นปเด็จการรุนแรง ใช้อำนาจรุนแรงแน่นอนเขาก็ถืออันเดียวกัน อ, อย่างนี้เป็นต้นยึดมั่นถือมั่นในประเด็นที่ยังไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดนั่นเป็นการเกริ่นบทความที่ดร์จอห์นแบล็แลนด์นักวิชาการสถาบันป้องกันและยุทธศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเขียนสั่งสอนรัฐบาลออสเตรเลียเขียนสั่งสอนรัฐบาลออสเตรเลียเอง และประเทศมหาอำนาจตะวันตกบทความชื่ อ, อชื่อของภาษ า, ษาอังกฤษเขกคือชื่อประยุทธ์ไม่ใช่นักปฏิวัติธรรมดาได้รับการเผยแพร่กว้างขวางในออสเตรเลียรวมทั้งหนังสือพิมพ์นิวเมนดาลาซึ่งเคยเขียนบทความใจ เ, เกิดความบทความโจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายครั้งออสเตรเลียเป็นประเทศแรก ในแถบเอเชียที่มีท่าทีก้าร้าวโดยประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกทุกคนของคอสชอดเดินทางเข้าประเทศเอัลซยรียทําก่อนใคร น, นี่ก็เป็นเขาก็ดูตามง่ายๆฉากแรกเลยว่านี่ทหารนี่ว่าปฏิวัตินี่ว่าก็ดูฉากแรกเลยการมองตามอาการนี่ก็ถือว่าแค่นี้แหละเองผดะเด็จการแล้วเองผิดแล้ว นะอย่างนี้ใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่ถูกต้องการที่นะักวิชาการทางด้านป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ศึกษาเขียนบทความสั่งสอนรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าท่าทีของออสเตรเลียต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เริ่มโอนอ่อนผ่อนปรงลงบางแล้วนะหรืออย่างน้อยที่สุดประชาชนชาวออสเตรเลียเริ่ม หูตาสว่างขึ้นบ้างแล้วรัตตจรเริ่มบทความว่าใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุดในโลกเพราะทาการปฏิวัติหรือเตรียมการปฏิวัติกันมาแล้วถึง18ครั้งตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพศ2475แต่การปฏิวัติทุกครั้งล้วนมีเหตุและเงื่อนไขให้ปฏิวัติ และการปฏิวัติรัฐประหารในอดีตคือการล้มล้างหรือไม่ก็เลือดตกยางออกแต่การยึดอานาจของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเลือดตกแม้แต่หยดเดียวนี่ก็เป็นความต่างที่เป็นนัยยะสำคัญที่คนเพิินเ พ, นเพินก็ไม่เอามาเป็นเหตุปัจจัยนะพลเอกประยุทธ์ปฏิวัต ไม่มีเลือดหยดแม้แต่หยดเดียวไม่ยังมีเลือดตกดรจอนแห่เฮพนว่าการที่อํานาจของพลเอกประยุทธ์จําเป็นต้องทำํำการยึอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์จําเป็นต้องทําและเหตุที่ต้องทําการยึอดอํานาจแตกต่างไปจากคณะปฏิวัติชุดก่อนๆที่ผ่านมาแล้วโดยสิ้นเชิงละเอียดลึกซึ้งนะละเอียดลึกซึ้ง อัตมาชมถึง ก, การปฏิวัตินีนมาตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าโอ้โหอัตมาขออภัยขอแทรกตรงนี้ความคิดของอัตมาที่เห็นการกระทำของพระเด็จระยุทธ์เนี่ยตอนแรกอัตมากา็หนึ่งวางแผนสองเอ็กซ์เดนกุลลักไม่ได้วางแผนแต่บอนเข้าเท้าชุดเลย เหตุการณ์ทุกคนก็คงจะพอจำประวัติศาสตร์ของมันเกิดขึ้นมาได้คือเขาค่อย <c oughs> ๆทำอย่างสムน o t h ค่อยๆไปตามขั้นตามขั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเวลาปฏิวัติก็ใช้คำปฏิวัติว่วาถ้าไม่ยอมลาออกผมก็ขอยึดอำนาจอาะไรจะนิ่มนวนขนาดนั้นจบยึดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโอ้โหอาวุธของ พลเอกประยุทธ์นี่สุดงดงามสุดยอดและนิ่มนวลไม่ได้พูดแรงอะไรน ะ, ะถ้าเพราะว่าไม่ลาออกผมก็ขอใช้อำนาจยึดอำนาจจบเลยเป็นคำปฏิวัติทีโมโหธรรมาวุธที่เฉียบขาดมากเลยนิ่มนวลสวยงามยิ่งกว่าหนังกำลังภายใน ที่จะสร้างได้จริงๆเลยนะตั้งแต่บัดนั้นมาเลยก็เป็นการปฏิวัติทันทีปฏิวัติประวัติการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยที่ผ่านมาทหารหรือแม้แต่คณะราษย์ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ยังปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์อยู่ดีอยู่ไม่ไม่ล้มเหลวถึงขนาดอย่างนี้ แต่พลเอกประยุทธ์น่ะยึดอานาจบริหารประเทศมาจากรัฐบาลที่ล้มเหลวรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ยึดอานาจมานั้นถูกศาลตัดสินในพ้นตำแหน่งไปแล้วส่วนเรื่องรัฐบาลนางสาวยิ่งรักอ้างว่าได้ตั้งคนรักษาการแทนตำแหน่งนายนายกนั้นเป็นคํากล่าวอ้างนอกเหนือรัฐธรรมนูญเห็นไหมว่ากาี่กงมุลูกีชั้น เนี่ยขีโกงไม่รู้กี่ชั้นเพราะตอนนี้เนี่ยเขาจะถอดปูเนี่ยมันต้องถอดไม่งั้นมันเป็นตัวอย่างที่คาเอาไว้ผู้พิพากษาจะปัจจุบั น, นที่มีหน้าที่ทำก็จะเสียผู้พิพากษาก็จะเสียที่ไม่ทำมันหน้าที่ของท่านและหลัดหลดเลยเนี่ยคนก็ทวงด้วยว่าให้ให้จัดการถ้าไม่จัดการท่านเสียไปตลอดเป็นประวัติชีวิตเลยผู้พิพากษากิน ถ้าท่านไม่ทำนะจริงข้ออะไรที่อาตมาพูดนี่อาจจะเห็นว่าอาตมาเหมือนคนรุนแรงเหมือนคนอมหินเหมือนคนจะจองเวรจองกรรมไม่ใช่ทําผิดก็ต้องรับผิดทําถูกก็ต้องถูกเพราะแค่ผู้ผิดลอยนวลแล้วทําผิดอย่างเลวไหลเละเทะหยาบคายโอ้โหหนักหนาสาหัสหขนาดนี้ไมไ่จัดการอะไรเลยปล่อยให้ลอยนวลเนี่ยหนึ่งบาปมันก็จริงมันบาปผู้ที่ผิดหน้าที่ก็บาปแล้วและ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามสืบทอดไปอีกมันซับซ้อนอีกเท่าไหร่นะดรจออธิบายว่าความจริงทหารเฝ้ามองและเอาใจช่วยทางการเมืองจนนาทีสุดท้ายอันนี้ก็เห็นจริงทหารเอาใจช่วยรัฐบาลมานาทีสุดท้ายเลยเห็นได้จากการที่สมาชิกผู้ทีธธ่สภาที่ยังเหลืออยู่ พยายามสรรหานายกมาแทนนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลถูกฆ่าตายไปกว่า30คนิบคนพลเอกประยุทธ์จึงจัดให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองมาเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันให้หมาเรียกมาประชุมนุมจนสุดท้ายถึงได้ปฏิวัติอย่างสวยงามนะพลเอกประยุทธ์ จ, จัดหาคู่แข่งขัดแย้งการเมืองมา เจรจาคอกตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่คือช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วไอ้ที่ผิดก็ยังทำเป็นไม่รู้วิชีอะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นไปได้อีกแต่เมื่อความขัดแย้งไม่อาจจะปรองดองกันได้และดูเหมือนจะดุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเพเดชพยุธ์จึงตัดสินใจยึดอานาจเพื่อหยุดยั้งการหนองเลือด คือมันเป็นสุดจริตธรรมมันเป็นเรื่องที่สุดแห่งที่สุดละเพราะในประยุทธ์ต่ตางกับผู้ปฏิวัติคนก่อนๆที่ไม่เคยแถลงชัดเจนว่าต่างจากผู้ปฏิวัติคนก่อนๆที่ไม่เคยแถลงชัดเจนว่าจะคือนอำนาจให้ประชาชนผ่านหีบเรื่องตั้งเมื่อไหร่ผู้ปฏิวัติทุกคนเขาจะพูดเลยอย่างเท่เทๆจะคืนในเมื่อ น, นั่นเมื่ออีปีหนึ่งสองปีอะไรไปนะเนี่ยใช่ พลเอกประยุทธ์ไม่พูดอย่างนั้ น, นผู้ปฏิวัติยึดอำนาจปี2549คือพลเอกสนที hey, เออ500ซ549เราสับเลขกันปี549พลเอกสนท่บุญจักรลินนี่เขาพิมพ์มานี่54 5 2459อรามาอ่านตามนั้นเมื่อกี้นี้ที่จริงมันผิดต้อง2549พลเอกสนท่บุญจักรลิน เคยประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในหนึ่งปีหลังจากลื้ อ, อํำนาจแต่ครั้งนั้นผู้ปฏิวัติไม่ได้วางรากฐานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้งหลังเลือกตั้งผู้สูญเสียอำนาจจึงชนะเลือกตั้งกลับมาใหม่และวิกฤตการเมืองเลวร้ายไปกว่าก่อนปฏิวัติอีก แต่พระอเดอ็ประยุทธได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางการเมืองไว้อย่างรอบคอบตามแผนบันไดสาขั้นนะขั้นแรกคือจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ปัญหาความมั่นคงของเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนการประกาศใช้กฎกรรยายการศึกสามารถกวาดล้างกลุ่มคนที่ก่อเหตุร้ายในประเทศได้มากทำให้ประเทศที่วุ่นวายมากกว่าครึ่งปีกลับเข้าสู่ภาวะสงบเป็นปกติได้ พระเอกพระเจ้มุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศหลายด้านพารกิจได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สามเดือนแรกของการคุมอำนาจบริหารประเทศคือจัดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสอนชและตามมาด้วยจัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติคือสอบประชรสบประชคือกุญแจสำคัญของการปฏิรูปเพราะ สปชจะสรรหาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เซ็นญาไว้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งเสรีตามระบบประชาธิปไตยหลังมีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประกาศก็คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนตุลาคม2558ปีหน้านอีกปีหนึ่งตอนนี้ตุลาคมประมาณนั้น นักวิจารณ์ตะวันตกลหลายคนแสดงอาการวิตกว่ารัฐธรรมนูญที่ทหารเขียนขึ้นมาใหม่ต้องมีเป้าหมายขจัดตระกูลชินวัตรให้พ้นจากถนนการเมืองเช่นเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีสองสภาในสภาพูดแทนให้มีการเลือกทั้งหมดส่วนผู้ที่สภาให้สัดส่วนมาจากการแต่งตั้งมากกว่าการเลือกตั้ง ในประเด็นนี้ทําไมนักวิจารณ์เหล่านั้นไม่มองในแง่ดีของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งอย่างเช่นในประเทศอังกฤษและแคนาดาเนี่ยบ้างทั้งสองประเทศได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยสมบูรณ์เพราะวุฒิสมาชิกทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งเดี๋ยวนี้เขก็ยังแต่งตั้งกันอยู่ในวุฒิเขาก็อยู่กันมาดีเขาเป็นเจ้าแต่เป็นตัวหลักของประชาธิปไตยมาเก่าด้วยซ้ำ แต่คนไทยในแม็กเก่งเก่งกว่าเขาอีกเกินกว่าเข้าไปเลยนในประเทศนี้ทําไมนักวิจารณ์เหล่านั้นไม่มองในแง่ดีของวุฒิสภาที่แต่งตั้งอย่างเช่นในประเทศอังกฤษและแคนาดาบ้างทั้งสองประเทศได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยสมบูร์เพราะวุฒิสภาทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งส่วนประเด็นที่วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ทหารสั่งให้เขียนเพื่อขจัดระบอบทักษิณ น, นั้น การวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองประเทศไทยโดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมความเชื่อและพลังผลัดดันทางการเมืองของคนไทยทำให้ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ง่ายก่อนอื่นตะวันตกต้องรู้ว่าคนไท ย, ท ไ, ท ย, ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นตะวันตกต้องรู้ว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นตะวันตก ได้สําคัญที่สุดคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายเทราวาสอันนี้ลึกนะนี่เป็นเรื่องของจิตวนะิญญาณนับถือศาสนาพุทธฝ่ายเทราวาสที่ยังมีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษความเชื่อเคารพศรัทธาต่อสถาบันสูงสุดของประเทศและความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ลึกซึ้งนะคนไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญนี่ทําชั่วเท่าไหร่ก็ทําได้ แต่คนเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อความเวียนไหวตายเกิดคนนั้นเขาจะบัญญัตบัญยัติเรื่องการทำชั่วหรือไม่กล้าทำเพราะมันเป็นสิ่งที่สะสมมันเป็นจริงคนไทยเชื่อบาปเชื่อบุญเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่คนไม่เชื่อเป็นนับถือทางตามตะวันตกตามอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของแนวของพุทธก็ยอะมองอย่างพิ้วเผินคนไทยหัวนอกเหอฝรัง่งเหอวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเทศประเพณีตะวันตก แต่ในความเชื่อลึกๆคนไทยยังเชื่อบาปบุญคุณโทษยังเชื่อกรรมที่กระทํำจะตามมาสนองทั้งชาตินี้ชาติหน้าทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมที่ทําให้คนไทยคลางแคลงใจเรื่องสถาบันสูงสุดนอกจากนั้นทักษิณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของประชาชนหลายพันคนจากการวิสามันฆาตกรรมตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดเอพราะเนปยุทธเป็นผู้เคารพ เทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างสูงเข้ามารับภาระอันหนักหน่วงในขณะที่พระบา ท, ทรงเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรไม่สามารถช่ว ย, กวยแก้ปัญาวิกฤตชาติได้เหมือนในอดีตภารกิจภายหน้าของพลเอกประยุทธ์จึงผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่สักก่าวเดียวถ้าเรานีา่โคตขคองดาวนตกมาถ้าเราพิจารณาถึงวิธีที่พลเอก ประยุทธ์และรัฐบาลของเขากำลังปฏิรูปประเทศสร้างแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ต้องต่อสู้กับคลื่นใต้น้ำของอำนาจเก่าถ้ามีประเทศออสเตรเลียสอดมือเข้าไปขัดขวางอีกแรงการปฏิรูปทางประเทศก็ยุ่งยากมากขึ้นนี่บทความของเขาเขียนติงกันในรัฐบาลเขาในออสเตรเลียประเทศที่มีความคิดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างประเทศไทย ในเขาให้เกียรตินะเขาบอกประเทศที่มีความคิดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างประเทศไทยเขาให้เกียรติประเทศไทยการโวยวายทางการทูตอันเกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามแทนที่จะประนามหรือลงโทษเราควรเคารพในการตัดสินใจของคนไทยและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติประเทศตามคำสัญญา เพราะว่าความเข้าใจใ น, ในวัฒนธรรมและพลังความคิดทางการเมืองที่เราไม่สามารถจะมองอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสายตาตะวันตกเพียงเท่านั้นบทความยาวเหยียดของดรจอ h ์นแบล็กแลนแสดงให้เห็นถึงท่าทีเปลี่ยนแปลงที่โลกตะวันตกมีต่อคอสอชอเหมือนกนเราได้เห็นภาพนายจอร์นแคร์รีรัฐมนตรีประเทศอเมริกาเดินเข้ามาจับมือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากร หลังกล่าวสุนทรพจน์ใน UN เว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวอเมริกาเคยแสดงอาการรังเกียจคอสชอแต่เมื่อคอสชอยึดมั่นในหลักการปฏิรูปประเทศตะวันตกต้องเปลี่ยนท่าทีไปเองนาทีา ท, าที่นาทีนี้พลเอกประยุทธ์กำลังเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากจะคบคาด้วย รัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าพบพร้อมกับบัตรเชิญให้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการวันนี้พลเอกประยุทธ์นําคณะออกเดินทางเยือนพมา่าถือเป็นประเทศแรกของการเยือนแนะนําตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีที่มีต่อมิตรประเทศในกลุ่มอาเซียนเยือนพม่าในคราวนี้ถึงแม้ว่าจะทําตามประเพณีแต่มีความสําคัญมากในการแสดงท่าทีต่อสังคมโลกได้เห็น เพราะปีนี้พม่าเป็นประธานประธานหมุนเวียนของอาเซียนการเยือนพม่าแสดงให้เห็นว่าอาเซียนยังคงเหนียวแน่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันและอาเซียนยังยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันกลับจากพม่าวันที่ 16-17 พลเอกประยุทธ์จะนำคณะออกเดินทางไปร่วมประชุมเอเชียยุโรปในกรุงมิลานประเทศอิตาลี ซึ่งมีผู้นำจาก51ประเทศเข้าร่วมประชุมนับเป็นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยใ ห, ให้ให้ต่างประเทศเข้าใจ <c oughs> เพื่อคนทั้งโลกทั่วโลกได้รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่นัดปฏิวัติธรรมดาเขาจบบทความในอย่างนั้นนะซึ่งฟังแล้วบทความนี้โอ้โหเป็นบทความที่ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการมองโลกวิสัยทัศน์และภูมิปัญญาของด็อเตอร์จอห์นแบ็แมนแบ็แลนด์เนี่ยลึกซึ้งนลึกซึ้งสามารถที่จะเก็บรายละเอียดและมองลึกเข้าไปถึงสภาวะที่ซับซ้อนจริงๆนี้ได้ทะลุดีน อัตอมาจึงนำบทความนี้มาเพื่อที่จะเอามายืนยันให้ประชาชนคนไทยนี้นี่เลิกที่จะหนึ่งระแวงสองหยุดไอ้ที่มารวนมาวุ่นวายมาทำให้น้ำขุน่นน้ำเสียอะไรนี่ลงซะบ้าง แทนที่จะไปทำกวนอย่างนั้น่ะมาส่งเสริมกันเถอะไม่ส่งเสริมคุณเฉยๆไปทามาหากินไปวางมือไปทำไม่รู้ไม่ชี้ก็ยังดีนะถ้ายิ่งส่งเสริมก็ยิ่งขอบคุณอาตมาว่ามันไทยนี่ละหมกหมักหมมกหมมมาจนกระทั่งมันขอภัยจะต้องพูดความจริงมันเลวสุดที่แล้วอ่ะ อัตามา ย, ยังไม่เห็นใครเลวใครหยาบเท่าที่พากันทำนี่เลยซุ้มหัวกันทำได้ยังไงถึงกันขั้นขนาดนี้จบดร็อกเตอร์กันมาทั้งนั้นเลยนะไอตัวสำคัญสำคัญนั่นนะเรียนมาหัวปุ่หัวพังแต่เสร็จแล้วทำไมถึงได้ฉลาดน้อยอยู่นะแล้วก็ทำทำลายสังคมประเทศชาติเมืองไทยนี่มัน ท้าไปไม่รอดก็เพราะว่าคนพวกนี้มายื้อมายุดมาฉุดทาให้ประเทศแย่ไอ้ด้านที่จะพัฒนาก็ยากอย่างนี้เอาทีนี้อัตมาขอพูดอีกด้านหนึ่งด้านสังคมนี่มีผู้เฟซมาบอกนึกถึงพ่อครูว่าพ่อครูเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนคิดอยู่ว่าพ่อครูต้องระวังตัวอยู่มากแต่ใจก็อยากจะฟังพ่อครูวิจารณ์รายการทานองนี้ ยังไงอาตมาวิจารณ์ทํานองนี้ส่วนตัวไม่สนใจผู้เข้าแข่งขันเท่าใด น, นักคงจะทิพเฟรมาในขณะนี้กําลังแข่งขัน อ, อ, อ, อกีฬาเอเชียนเกมเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจเขาแข่งขันเท่าใด น, นักแต่สนใจแนวคิดท่าทีการแสดงออกของพิธีกรทั้งสมากกว่าพิธีกรทั้งสามนี่อาตมา ก, ก็ยังนึกไม่ออกว่าไปหมายถึงใครบ้างนะ ท่นก็เเลนเลอ๋อพิีกรั้งสามทา่านก็เทเลนเนั่นนะเขาส่งเสริมกันสแสดงออกทางใาการทางโทรทัศน์จริงๆแนวคิดแบบพุทธก็คือที่บอกว่าคนจะงามนั่นงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานแต่บางรายการมันเน้นในความสำคัญให้ค่ากับเรื่องหน้าตารูปรักษณ์ เช่นนี้จะเป็นการทําให้สังคมโดยเฉพาะสังคมพุทธวงเล็บในวงเล็บอีกโดยเฉพาะวัยรุ่นเยา ว, วชนยิ่งจะพากันหลงทางหลงชีวิตหลงรูปธรรมในวงเล็บของสังขารรูปไปกันใหญ่กันหรือไม่มงเล็บเปิดถ้าเป็นไปได้อย่างให้พ่อครูได้มีโอกาสพูดถึงรายการทํานองนี้เหล่านี้บ้างขอใช้โอกาสนี้บ้างเถอะ ต้องขออนุญาตนะขออนุญาตเกรงใจนะต้องขออภยัยที่จะถล่มทละอาตมาออกมาจากเมืองมายาอย่างที่เขาพูนะถูกแล้วอาตมาอยู่ในสังคมธุรกิจบันเทิงและตอนนั้นอาตมาก็ยังงมงานหลงอยู่ในธุรกิจบันเทิงแหละจะเอาสวยเอางานเอาเด่นเอาดังเอารู้เอาราเอารูปรถปิดเสียงสัมผัสเต็มที่อยู่ตอนนั้นนะ่ะเท่าที่อาตมาจะทําได้หลงหเลอะเทอะอยู่นะนะั่นส่งเสริมสนับสนุนและเป็นตัว ตัวจักตัวหนึ่งด้วยนะทำอยู่ตอนนั้นพอรู้ตัวออกมาแล้วก็เนี่ยคุณค็นี่ก็บอกว่าคิดอยู่ว่าพอครูคงจะงระวังตัวอยู่มากว่างั้น <c oughs> ก็ระวังอยู่บ้างไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกที่จริงก็ถล่มอยู่ก็เสียบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วละ่ะไม่ได้ไม่เสียบแต่วันนี้เขาเสียบลึกๆหน่อยนะเ้า <c oughs> เสียบแรงๆเพิ่มขึ้นมันไปกันใหญ่แล้วเดียวนี้ สังคมที่ล้มเหลวสังคมที่มองดัชนีชี้ค่าง่ายๆว่าถ้าราคาของพวกอบายามุกนี่เป็นราคาสูงขึ้นค่าตัวของนักแสดงมอมเมาเนี่ยมอมเมาในเรื่องรถของทางการละเล่นก็ตามการบันเทิงก็ตามราคาค่าตัวสูงขึ้นนั่นนั่นแหละคือความเสื่อมของสังคมจงรู้ไว้เลย ถ้าราคาค่าตัวของนักแสดงบันเทิงและการละเล่นที่เป็นอบายมุขหัวจับตัดไปเลกบันเทิงเรงลงลมกับการละเล่นฟอนลำเต้นแรงเต้นกาเนี่ยมันเป็นเรื่องอบายมุขถ้าราคาของมันสูงขึ้นสูงขึ้นโดยนอกจากราคาและความนิยมเหอความเมอความนิยมของประชาชนก็เหอยิ่งขึ้นด้วยนั่นแสดงถึงสังคมเสื่อมเสื่อมไม่เบาแล้วด้วย อย่าไปเข้าใจว่าราคาของนักแสดงไม่ว่าจะแสดงกีฬาหรือแสดงการบันเทิงราคาขึ้นนี่คือการเจริญของประเทศฟังให้ชัดๆวันนี้เขาเสียบลึกหน่อยอาจจะแรงมากมันเป็นความบรรยจักรของประเทศความล้มเหลวของประเทศความโง่ของสังคมคนในประเทศมันไม่ใช่ความเจริญมันเป็นอบายามุก แล่ไปส่งเสริมมาบายามุกส่งเสริมเนยยิ่งโอ้โหนิยมมากแล้วก็ราคาขึ้นจกย่องเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เอามาเป็นอะไรใช้ใหเป็นตัวอย่างแกเยาวชนอะไรตะไรอีกโอ้โโฮมันสอสแสดงสอสแสดงถึงความง่าวอันนี้ประสาทหนึ่งให้เขาเขายืมใช้หน่อยอ่า มันแสดงถึงอย่างนั้นจริงๆอัตมาขออภัยต้องพูดความจริง น, น, นานๆก็เสียบหนักๆเสียบแรงๆเสียบเป๋งๆทีเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่มันเสื่อมถึงขั้นแล้วเสื่อมมากราคาของอบา ย, ยมุกนี่ขึ้นสูงเรีวราคาทั้งค่าตัวราคาทั้งความนิยมชมชอบเถือกันเรือเกิน ส่วนราคาของผู้ทำโลกรัธรรมนั้นยังไม่กระเตื้องเลยยังไม่กระดิกหูเลยขออภัยในที่พูดนี่ไม่ได้น้อยใจไม่ได้ดิษยาไมไ่อยากแข่งขันแข่งเด่นแข่งดีอะไรเลยไ ม, ไม่แต่พูดถึงสัจธรรมความจริงพูดถึงที่เกิดจริงเป็นจริงมันแสดงถึงภูมิธรรมของมนุษย์ของมนุษย์ในสังคมตั้งแต่ผู้รู้ยันมาถึงมวลมวลมหาประชาชน ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงตอนนี้ชาติมันเหลืองดำรงแล้วอย่าพอแล้วมันเหลืองนะมันซีดนะชาติจะเรืองดำรงแต่ไปเป็นล้อว่าชาติจะเหลืองดำรงกันมานานแล้ว เ, เหลืองดนะ้ยนี่ไม่จะเรืองนะเรืองนะเรืองดำรงชาติจะเรืองดำรงนะก็เพราเราทั้งหลายอย่ามัวหลับมัวหลง มันก็คงละลายตื่นเถิดชาวไทยนี่เป็นเพลงปลุกระดมปลุกสติสำนึกของรวงวิจิตรวาทการรวงวิจิตรนี่ก็ดีเก่งแต่งเพลงปลุกระดมมาไว้เยอ ะ, อะทำวาเยอะเลยรวงวิจิตรวาทการเนี่ย เป็นผู้ที่ทำคุณนานุคุณไว้ให้แก่ประเทศชาติเยอะรงวิจิตเนี่ยเป็นคนเอาภาระเอาใจใส่ทำอะไร อ, อะไรมุ่งหมายในเรื่องของพัฒนาประเทศจริงๆเลยรงวิจิตเนี่ยเพราะงั้นประเทศไทยมาถึงวันนี้แล้วถึงจุดน่าจะเป็นจุดเป็นจุดที่แก้เป็นจุ ด, จ, ดจุดเปลี่ยนแปลง ในจุดวิกฤตจุดเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นจุดวิกฤตตรวจเปลี่ยนแปลงได้แล้วเปลี่ยนแปลงจากที่เลิกที่จะหลงงมงายเลิกที่จะไปส่งเสริมกล้าที่จะออกตัวกล้าที่จะเปิดเผยกล้าจะร่วมมือร่วมใจกันทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีอาตมาว่าคนไทยไม่โง่ทีเดียวหรอกแต่กิเล่มันมากเท่านั้นนะไม่โง่ทีเดียวหรอกแต่กิเล่มากเพราะนั้นแก้เถอะ เปลี่ยนแปลงเถอะนะผู้ที่มีอัตตาเนี่ยจะถือดีว่าฉันรู้นะฉันรู้นะว่าคุณดีแต่ฉันก็จะรู้ว่าฉันรู้ดีกว่าคุณฉันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเตือนคุณติงคุณนะแล้วก็ใช้ท่าทีได้แต่เตือนเขาติงเขาแทนที่จะมีมีอิทธิพลนะผู้ที่อีเตือนเขาติงเขานี่หลายคนก็มีอิทธิพลถ้าเผือว่าผู้มีอิทธิพลนี้ มาส่งเสริมซะรู้คนเรามีจุดบกพร่องนะมีจุดบกพร่องแต่ตอนนี้เอาทันหนาแค่นี้ก็ส่งเสริมดีกว่าที่จะไปติงติงเพราะว่าคนที่ติงอย่าว่าแต่ติงเลยไอ้คู่ค้านคู่ต่อสู้เนี่ยมันติงมันดึงมันยื้อยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่วางมือมันจะไปช่วยแรงอัติงอันนั้นไมเล่ามาเสริมแรงที่จะส่งเสริมนี่ก่อน ถ้าไม่มีใครเหลือที่จะติงแล้วอาตมาจะช่วยติงอีกคนเขาจะช่วยยื้อไว้ถ้าหมดเลยคนจะยือหมดคนจะติงจะถ่วงอาตมาจะเป็นคนถ่วงให้เองไม่มีใครก็แต่นี่มันมียนมันไม่ควรแล้วนี่คือมหาประเทศที่จะต้องใช้ความเหมาะควรที่จะต้องประมาณให้ดีคำนวณให้ดีว่าควรจะต้องส่งเสริมด้านไหนถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ไม่เจริญ อาตมานี่เห็นใจพลเอกประยุทธ์แล้วก็แหมชมเชยอะ่ะชมเชยตรงไหนชมเชยเท่าว่าไอเวลาพลเอกประยุทธ์พูดเวลาแต่ละประโยคแต่ละสำนวนจำนวนวคุณจะเอาอยัางไงอย่างนี้มันอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะชัดๆเปิดเผยมา เพี้ยงเพีจริงยังเลยอาตมาก็จําไม่หวานไม่ไว้มันเยอะที่พลเอกประยุทธ์ก็จัดการพูดออกมาแล้วก็ว่าว่าสังคมเจ้ายังไงกันอีกอย่างงี้อย่างนเนี่ยผมก็ทําแล้วอะไรแล้วยังไงกันอีกพ่อกันก่อนได้ไหมมาส่งเสริมกันก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เพราะงั้นคนที่มีอัตตายังไม่รู้ความมาความควร ไม่รู้จักการประมาณสับริสธรรมเจ็ประการก็ดีมหาประเทศสี่ก็ดียังไม่เก่งยังไม่เก่งกไไไ็ไม่ไม่รู้ควรว่าควรจะส่งเสริมอะไรควรจะต้านทานอะไระยังอจตมานี่ส่งเสริมพลเอกประยุทธ์แต่ต้านทานบายมุกต้านทานอย่างหัวที่หัวต่ำเลยตอนนี้หรือ ยังต้านทานกระแสหลักของศาสนาที่ยังหลงเลอะเทอะกันอยู่ยังไม่หันยังไม่งอหัวเข้ามาเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยยังต้านอยู่แรงยังให้อัตมาส่งเสริมยังไม่ได้อัตมายังส่งเสริมไม่ได้เพราะท่าทียังไม่ไม่ไม่ไม่เข้าทางเลยยังไม่มาเลย เพราะั้นตอนนี้นี่ทางด้านการเมืองคนเอกประยุทธ์เนี่ยถูกกาละเทศะถูกขนาดถูกสัดส่วนที่ทำดีแล้วนเน็ตเหนื่อยแตม่เห็ น, นว่าเน็ตเหนื่อยกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมันยากทั้งยากทั้งหนักทั้งมากมากเลย มันเยอะเยอะแยะไปหมดอะไรต่ออะไรต่างๆนานามาช่วยกันซึ่งก็ท่าทีองค์รวมอาตมาดูแล้วค่ารวมองรวมจริงๆก็ดีข่ารวมนะตัดสินค่าเฉลี่ยแล้วอาตมาก็ดูว่าเออก็ท่าทีเข้าทีก็ดีแต่มันก็จะน่าจะดีกว่าเนี้โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนบางเจ้าบางรายเนี่ย เจ้าบัคุณเนยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแกอัตตาตัวเองจัดจังเลยอ่ะคนจะเปลี่ยนท่าทีตัวเองแลมันน่าจะรู้ตัวเองมีอิทธิพลนะคนเจ้าที่มีอิทธิพลต่อสังคมเนี่ยถ้าเปลี่ยนท่าทีมาปับเนี่ยมันมีผลต่อสังคมมากๆากนะนะคนจะเอาตามคนจะอะไรจะคืนมีความเชื่อถือมีความได้รับความยอมรับหรือความเชื่อถือเยอะนะ ว่าการสังคมที่เป็นอยู่นี้เนี่ยต่างประเทศเ็าก็ช่วยมองช่วยสะท้อนสังคมลงมาอย่างที่เป็นนี่แหละอ๋ะอคุณวินิทที่เขียนมานี่บอกว่าไม่ได้กล่าวถึงรายการก t ต a ท e n t แต่พูดถึงเฟสไทยแลนด์เฟสไทยแลนด์คือรายการไหนก t ต a l เ n นอัตมารู ออเป็นรายการค้นหานางแบบเฟซไทยแลนด์ Thailand, เป็นการค้นหานางแบบโอ้เ oh, นี่ยไอเราก็ไม่ค่อยจะเก่งตอนตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะผ่านๆก็ดูนั่งบปก็บว่าจะทิ้งข้อมูลก็พยายามเก็บข้อมูลอยู่บ้างแต่มันเก็บไม่หมดก็ต้องขออภยัยนะเฟซไท a แลนด์ Thailand, นี่คือเป็นรายการค้นหานางแบบจะไปหาแบบอะไรกันนักกันหนาะมันบ้ า, ม, บามันบอ ก, กันขนาดหนักแล้วพอแล้ว วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยนี่มันจมหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วอัตลักษณ์ของเครื่องแต่งตัวของไทยไม่มีพมา่ายังเหลือลาวยังเหลือยวนยังเหลืออินโดจีนเขาเหลือหมดพี่ไทยศูนย์ยังจะบ้าไปถึงไหน ท่านพลเอกเปลมพยายามที่จะปรับดึงอวัฒนธรรมไทยเครื่องแต่งตัวการแต่งตัวอะไรคืนมาไม่ได้หรืองไม่ติดนี่ตอนนี้ถ้าทีมีพลเอกประยุทธ์ท่านจะเอาแบบไทยๆมาแบบมาใช้อัตมาส่งเสริมมาตีครองรองเปล่าส่งเลยเอาเลยเอาเลย ให้มันเหลือเชื้ออยู่บ้างเถิดนะแค่นุ่งผ้าถุงเท่านั้นเนะ่ลาวก็ยังนุ่งพอม่าเาก็ยังนุ่ ง, ย, ง, งยวนเขาก็ยังมีชุดของเขาชุดอะไระอะไรนะแต่มาเรียงไม่ถูกคลุมก็ยังมีอะไรต่างๆพวกนี้ แต่พี่ไทยนี่ไม่มีละไม่เหลือยังเหลือบ้านนอกกับชาวอาโศกเนี่ยอ่อยู่เหลือบ้านนอกแต่เขายังคงมั่นอยู่บ้างนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแบบไทยๆแขนก็บอกอะไรคอกลมๆไม่ต้องเรื่องหมากอะไร หรือแม้จะเป็นชุดที่ดีๆชุดประยุกต์ชุดที่มันงามแต่แบบไทยๆมันก็มีลักษณะของไทยคุณก็ทำกันสิจะเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเขาก็ไม่ได้วาอะไรทางอีสานเขาเรียกว่าชุดดีๆชุดงามๆชุดสวยๆกโก้แต่เป็นแบบไทยเนี่ยเขาเรียกชุดอาวุ์ชุดอาบุญจะมีไว้พอออกงานวันงานเขาก็จะงัดชุดอาบน์นี่ออกมาใส่โชกันโอสวยพริ้ง แต่มันก็มีลักษณะอัตลักษณ์ของไทยไปเป็นศิละปะวัฒนธรรมของไทยมันมีของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นไทยๆนี่ก็ยังเหลืออยู่บ้างกรบปิกกระปลอยส่วนในกรุงในเมืองนั้นโอ้โหนานๆแล้วก็ทำแล้วก็รีบถอดงานพิธีงานอะไรก็อยูห่ห์ทำบ้างอยู่นะ ชุดไทยแทย้ไทยประยุกต์ที่ยวโหดัดแปลงสปริงพลายก็ไม่หว่ากันแต่ขอให้มันมีรูปลักษณ์มันมีอัตลักษณ์ของไทยอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรรีบแต่งรีบใส่แล้วก็รีบถอดแล้วก็กลับมาชุดสากลชุด อ, อะไรพวกนี้นะก็เหลือแต่พวกบนนกันหนกพวกช น, นบทพวกคนที่ยังเห็นว่าเอ อ, อ น, นี่เป็นแบบไทยๆก็ใส่สบายก็แบบไทย อัตมาว่ามันมีอยู่แล้วของไทยมันกลับคืนมาก็ยังมีเชื้อยังมีอะไรอยู่ได้นะก็ควรจะต้องกลับมาให้มันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรของไทยให้มันเป็นบ้างอย่างน้อยเครื่องแต่งตัววัฒนธรรมแค่เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกายเข้ามาเมืองไทยเขาบอกเ้าอยากมาดูไทยแต่งกายเข้ามาเขาก็มาเข้ามากรุงเทพไม่เห็น คงแค่บรรุนแต่กองเกงนุ่งกระปองอะไรก็โอ้โหยาวแต่กระปองเลยสั่งกงสั่นจู่เด้อโหเลาะอะไรนะนึกภาพออกอ่ะอ๋อเลาะนึกภาพออกผู้ชายก็แม่อาตมาเล่าความจริงอันนึง อาตมาตั้งแต่เด็กยังนึกอยู่เลยเออนะเนี่ยคนไทยเนี่ยมันก็นุ่งกงเกงเขาเรียกกงเกงฝรั่งกงเกงสาวคนนี้เขเรียกกงเกงฝรั่งไอเรามา น, นอกเนาะ อ, อยู่บนเออเขานุ่งกงเกงฝรั่งโอ้วาตมาได้กงเกงขา ย, ยาวตัวแรกเลยเนี่ยนะใส่เข้ากรุงโอ้โหเท่ใชไมเมียนะกนะงเกงขา ย, ยาวนะได้กงเกงรุง่งกงเกงขา ย, ยาวเข้าเมืองกรุงตอนที่เดินทางเข้าขกรุงเทพอะ ได้นูงเกงขายาวครั้งสองครั้งก็เอามาใช้างานอัตมาเป็นหัวหน้าเชียร์เชียร์ลีดเดอร์ก็แม่มันต้องหาทางแต่งไปให้เขาตัดหมวกสีเขียวแดงอยู่เบนจามะาเบนจามะไงสีประจำโรงเรียนเขียวแดงอัตมาก็ไปเสียสตังจ้างหมวกซื้อให้เขาตัดหมวกออกแบบให้เขาตัดเขียวแดงหมวกแก้วแดงเป็นหมวกนี๊ แล้วต่อมาก็ามาทำหมวกโดยเอาหมวกนี่มามาทำเอากระดาษมาทำเป็นทรงจ่าเอาไงมันเมือนของฝรัง่งกัว่าแล้วก็ติดสีเขียวแดงใส่ยาวาหัวยาวเลยรูปยังมีอยู่เลยเลยแต่ทีนี้ไอ้ใส่หมวกยาวแต่ขาสั้นมันคงไม่ดีก็ไปยืมกางเกงขา ย, ยาวของพี่พี่ชายพี่โมดปลาโมดนะไปยืมกางเกงเขาใส่ เกขยาวมันไม่ค่อยจะถูกสัตว์ชวนอัตมาเท่าไร่แต่แก็ใส่มันก็ใส่ไปตามภาษาออกมาเป็นหัวหน้าเชียร์ทำโอ้ยแล้วก็มีแถบสีเขียวแดงพาด ต, ตรงนี้กระดาษสีเขียวแดงพาดก็แต่งอะไรตอะไรไปตามเรื่องตามราวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแต่งมันอะไรตอะไรกันจนโอ้โ ห, โหเชียร์เชออะไรก็เดี๋ยวนี้โอ้โห ยังไม่นุ่งผ้ากันแล้วเชียร์เฮ้ยมันเกินจริงเลยมันอะไรกันนักกันหนาก็หม่ายรู้นะหยุดกันบ้างพอกันเถิดทันกลับมาสู่ความที่จะไม่ต้องไปปลุกเรากาม ไม่ต้องไปปลุกเร้าความรุนแรงสองทิศเนี่ยลดลงบ้างมันจะไม่ไหวแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแรงมันจัดจ้านมันอะไรกันเกินการแล้วนะตอนถ้าเผือว่าไม่พยายามหยุดยั้งหยุดยออัตมาว่าไปไม่รอดมันควรจะรู้สึกกันแล้วนะราะนัะ้นที่อัตมาเห็นที่คุณก็เห็นใครก็เห็นกันอยู่เนี่ย มันไปกันใหญ่รายการโทรทัศน์นี่เป็นรายการมอมเมาเพราะรายการโทรทัศน์เนี่ยนะที่เป็นรายการฟรีทีวีนี่มีแต่แข่งขันเอาชนะค้าคารหลงการพนันขันต่อเพื่อแย่งลาบแย่งยศแย่งชิงเล่นเลเล่นเลีเล่ยมะอะไรกันเต็มไปหมดการทางรูปรถกันเสียงสะพัดก็เต็มไปหมด เมื่อไรจะรู้สึกตัวเมื่อไรจะบันเทาเมื่อไรจะลดละจะโยยยุ่มมอมเมาปลุกว่าปลุกปลอบหรือว่าปลุกเรากันให้มันหนักดาสาหัสจนจะตั้งมันจะระเบิดตายกันไปถึงไหนกันเนี่ยนะขอภัยวันนี้ขอพูดชัดๆขอถลม่มทลายกันชัดๆหนอ่อยเถอะแต่อาตมารู้ว่าที่พูดไปนี่คนดูไม่กี่คนหรอก เขาไม่มาดูหรอกไอช่องนี้นะเขาไปดูในช่องไอที่มันถูกกิเลสแล้วก็ไปหลงกับกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นคนดูช่องนี้ก็คือคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยคนที่มีภูเขาในดวงตาไม่ใช่ทุลีภูเขาในดวงตานะี่ยเขาไม่มมาดูหรอกมันเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ท้อหรอก แม้จะมีคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยดูอยู่ไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรก็รีบมาช่วยกันรีบปฏิบัติประพฤติออกมาเราต้องการพลังรวมของผู้ที่เป็นกุศลของผู้ที่เป็นชุจริทธรรมของผู้ที่เป็นโลกุตระเป็นผู้ที่ทวนกระแสของลาบยศสรรเสริญโลกีสุขที่เป็นสุขทางกาม สุขทางอัตถ ะ, ะสุขสุขทางบําเริกอัตตานะั่นน่ะมันเยอะมันมากมันจะาจัดจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพอได้แล้วมาช่วยกันทางนี้เถอนะนะเนี่ยแตมาก็ได้แต่เรียกร้องมันใครเห็นใครเข้าใจเห็นแก่สังคมแม้แต่ตัวเองก็เถอะเห็นแก่ตัวเองด้วยก็ควรจะต้องเลือกละออกมาซะในตัวเองแล้วก็มาร่วมรวมกันทำในสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เกิดคุณค่าประโยชน์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อัตมาเป็นผู้ที่เข้าใจเป็นผู้เห็นผู้รู้ศาสดาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านเห็นท่านรู้ท่านเอามาประกาศแล้วก็เอามาประกาศตามเอามาขยายความตามเอามาทำตามอย่างที่พระุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านพาทำก็มาช่วยนี่เป็นเรื่องที่เป็นศาสนาพุทธ ไม่ใช่เรื่องออกนี้เข้าป่าไม่รู้เรื่องสังคมเป็นยังไงอบายยมุขเป็นยังไงลูบรถกินเสียงเป็นยังไงนะลาบยศสันเสริญแย่งข่ากันแกลงไงไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่ได้มาทวงมาดุนก็เลยนีเอาไปปลีกเดียวไปอันนั้นมันไม่ศาสนาพุทธมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นอยู่กับสังคมรู้จักการประมาณรู้จักการท่วงติง มติมาเตียนสังคมชมด้วยแต่ว่าชมนมันไม่ต้องชมมากหรอกมันเหลืองการชมนี่อะไรก็ชมแม้แต่ผิดผิดแม้แต่ไม่เข้าเรื่องกัยังป้อย อ, อ ก, กันชมเงินบาบาบอๆกันไปหมดแล้วมันลดการชมมาระดมการตินะลดการชมมาระดมการติกันให้ได้มันช่วยๆกันนะ เพราะฉั้นเราจะติคนไม่ชอบหรอกการติคนนะแต่ก็ต้องประมาณพระพุทธเจ้าถึงใช้คําว่าปยาิยวาจาตำหนิคนให้คนดื่มคําตําหนิได้เนี่เป็นปิยาวาจาเพราะนั้นใครสามารถที่จะทําให้คนดื่มคําตําหนิได้เนี่ยนั่นแหละคือผู้ผู้มีวาจาอันดีอันเป็นที่รักเพราะว่าวาจาอันเป็นที่รักไม่ใช่วาจาที่มาเปรเ่าเปรมเปรหล อ, อะไรแต่ไ ร, ไรแล้วก็บำเบลบำบุง ไปของไปไทางชื่นชอบในลาบยศสรรเสริญโลโกีสุส่งเสริมโลกรีไปหนักหนักให้คนเขาแหมาลาบรื่นใจอพ อ, ออกพอใจง่ายๆไม่ใช่มันเป็นการขัดเกลวสันเลขะมันเป็นการฟื้นการทวนกระแสแล้วก็พูดสิ่งที่ทวนกระแสนี้ให้คนดื่มคําที่มันขัดขัดใจคําที่มันขัดแย้งนี่ให้คนดื่มได้พอเหมาะ เพราะงั้นฝีมือในการปรุงสิ่งที่ให้แก่สังคมอย่างพอเหมาะให้คนดื่มเปยวัชชะให้คนดื่มได้ปยวัชชะดื่มคําตําหนิได้นี่นี่เป็นสุดยอดแห่งศิลปะให้คนดื่มคําตําหนิได้เนี่เป็นสุดยอดแห่งศิลปะเปะยวัชชะแต่คนไม่ค่อยเข้าใจว่าเปยวัชชะคืออะไรอาจมาก็เอามาขยายความสู่ฟังแล้วอาจมาก็ทําอยู่ นะพยายามอยู่ที่จะให้มันได้สัดส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้ผลบ้างเนะบาไปบ้างแรงไปบ้างก็มีนะมันก็ไม่ค่อยจะเก่งก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันดูมันเก่งมันได้ผลอะไรดีขึ้นบ้างนะสรุปแล้วอาตมาก็ทําตามที่คุณวินิจบันเทิงอะไรนี่ว่ามาเฟซมาด้วยนะ รายการทีวีรู้สึกเป็นเช่นไรก็ตอบไปแล้วรายการทีวีโดยเฉพาะฟรีไม่ใช่ฟรีทีวีเดี่ยวนี้เนี่ยแม้แต่ดาวเทียมเปิดขึ้นมาเพื่อมอมเมากันเละเทะหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากความนี้ไปถึงคอสชอจัดการหน่อยเถอะล้างบางหน่อยเถอะที่มันมอมเมาเปิดสถานีขึ้นมาเพื่อมอมเมากันตรงๆเลยเยอะมาก จำกัดกรอบขอบเขตบ้างเถอะถ้าไม่ฉชนั้นไปไม่รอดหรอกประเทศไทยนะไปไม่รอดถ้าเพาอว่าไม่กำหนดไม่พยายามที่จะจัดการกันบ้างมีแต่รายการประชันขันแข่งชิงดีชิงเด่นเร่าร้อนปีนเหยียบผู้อื่นขึ้นไปเพื่อพยายามให้ตัวเองได้อยู่ในจุดสูงสุดซึ่งมันจาเป็นไหมสาหรับความเป็นสังคมมันไม่จาเป็นเลยมันควร ล้างออกด้วยซ้ําซึ่งสวนทางกับสังคมแบบชาวอโศกใช่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งชาวโศกนี่ถ้อยทีถ้อ ย, อ, ยอาศัยกันเอเอเฟื่อเพื่อแผกกันเกื้อกูลกันเหมือนญาติไม่ใช่เหมือนแล้วเป็นญาติกันทีเดียวแล้วนี่พอเรานี่มาจดทะเบียนลงทะเบียนสํมโนครัวเป็นญาติกันหมดแล้วนะเป็นญาติเป็นพา ร, รารลภาพกั น, นเป็นตัวอย่างสังคม แต่คนก็มาเป็นตัวอย่างเขาก็ว่าหาไปขัดคอเขาน่ะและคุณคนนี้ก็สงสัยว่าทำไมสังคมโลกเขาไม่ต้องการอย่างนี้ทำไมเขาไปต้องการอย่างโน้นกิเลสนะที่นะเขาก็ต้องมุ่งหวดจะเอาแข่งขันอวดประชันชิงดีชิงเด่นกันอยู่อย่างนี้แหละนะเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาตมาก็จาเป็นแล้วก็มันต้องพูดอยู่มันไม่หยุดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้นะ จะไปทําเป็นจำนนก็ไม่ดีไม่จำนนนระตมาก็ไม่จำนวนจะต้องพูดต้องว่านะเอาวันนี้ก็ใช้เวลาในการที่ได้วิพากวิพากวิจัยวิจารถลม่มทลายมาพอสมควรนะวันนี้ก็ผู้ใดฟังทํได้ดีก็ฟังเถอะ อะไรที่มันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่วยสังคมกันก็เชิญอัตมา ก, ก็ขออนุโมทนาการที่จะแสดงธรรมที่เป็นการทวนกระแสโลกีนี่โลกีมันจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นลำพังที่จะให้อัตมาทำอยู่แค่อัตมาเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกต้องขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงสังคมแก้กลับ มาสุดความล่มจมที่เป็นอบายเป็นทางนรกนะศึกษาดีๆทางนรกไม่ใช่เรื่องลึกลับทางนรกก็คือความทุกข์ความร้อนความไปไม่สะดวกความเสื่อมอย่างที่เป็นเป็นเน้นเห็นนี่แหละต้องเข้าใจให้ดีนรกมีจริงแต่นรกมันไม่ได้ลึกลับมันลึกซึ้งมันลึกล้ำเรียนดีๆแล้วก็มาช่วยแก้ไกขเหตุปัจจัย ตั้งแต่กายกรรมว่าจีกรรมเราไม่ทํากันแล้วก็มาเรียนรู้ให้ถึงจิตวิญญาณกําจัดจิตวิญญาณที่มันเป็นตัวผีนรกพวกนี้ให้ได้ซึ่งอาตมาว่าอาตมาเนี่เข้าใจพวกนี้ในตัวนามธรรมาในเรื่องของจิตวิญญาณพวกนี้แล้วก็พยายามพูดพยายามอธิบายอยู่โดยอิงพระไตรปิฎกหลักฐานทุกวันนี้ก็นําหลักฐานต่างๆมาขยายความ ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นปัจจัยาการเป็นอิทัปัจจยาตาเพราะเหตุนี้เป็นเหตนี้ไม่นี้นนไปยาวยืดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เมื่อไหรมันจะเป็นโดมิโนโมันก็ไม่รู้มันยังไม่ล้มลึกทีงถ้าเป็นโดมิโนมันคงจะถึงขีดล้มะล่มโดมิโนล้มนี่มันล้มตัวเดียวนี่มันจะล้มหมดเลยนี่มันยังไม่เลยมันแข็งโอ้โหสูงแข็งแรง ไม่ยอมลถลาวาศอกเลยก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ทอ้ออาตมาก็ทําจนกว่าโดมิโน่นี่จะล้มตัวนั่นได้ล้มตัวต้นของโดมิโน่ได้คงจะต้องมวิเศษเลยไม่ต้องหั ต, ตัวต้นตัวกลางล้มก็ยังดีตัวไหนล้มก็เอา <c oughs> โดมิโ น, โน่โดมิโน่คือการล้มแล้วมันจะล้มทับอันอื่นๆพุ่งไปเลยการทํานี่คือทําอย่างปากิริยาลูกโซ่ อเอาละสำหรับอาตมาใช้เวลามาพอสมควรตอนนี้ก็เหลือให้ท่านฟาไทยท่านสรุปบ้างนะหรือว่ามีอะไรที่จะผ ส, สมประเสริฐในฐานนาพิธีกรเชิญครับคุณครับวันนี้พ่อครูเริ่มต้นเนี่ยก็พูดคำแรกว่าก็ต้องกระตุกต่อมสำนึกนะคำพูดแรกที่เปิดประเด็นในวันนี้คือ เรียกว่าท่านบอกว่าคนที่ตําหนิเนี่ยก็เขาก็ไม่อยากทำแล้วเนื่อเพราะว่าเป็นหน้าที่เพราะครูเกิดเป็นหน้าที่นี้นะหน้าที่ที่จะตําหนิสิ่งที่มันไม่ดีให้มันออกไปให้ได้เขาเรียกว่าล้างบาปนะล้างบาปให้หมดบังอะไรเงยนะให้หมดบังของประเทศไทยให้ได้เนี่ยโอ้โหแต่มาว่าโลกนี้คงจะเจริญศิวิไลแน่นอนนะถ้าสามารถทําได้ขนาดนั้นนะ แต่ว่าในสังคมท่านก็บอกว่าก็เข้าใจเขาว่าเขาก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าคนก็ยังทำอยู่แต่มาก็เทียบกับตัวเองก็จริงนะบางทีหลายเรื่องเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราก็ทำอยู่เพราะว่าเราทนต่อความแรงกิเลสเราไม่ได้นะเพราะว่าขณะที่กิเลสมันขึ้นมาเนี่ยไอ้คำอะไรสัมบัญชนยะสัมบัญชลิตีส เอ่อปะทะปะเทติสัมปชะติสัมปะพัติอะไรเนี่ยอิริติติตาตสัมปิมปีอะไรก็ภาษาอีสานสัมมาปีกูไม่รู้เรื่องเอามาจากภาษาบาลีนะภาษาอีสานสัมปินี่ก็มาจากภาษาบาลีสัมมปิเนี่ยตอนฟังธรรมนี่ก็รู้ไปหมดแต่อีตอนกิเลสมาเนี่ยไอเนี่ยมันหายไปในถังกะปิหมดแล้วมาเหลือแต่ความหน้ามืดตามม้ละที่แสดงออกมา คือความทุเดชทรังการตอนนั้นมันก็แสดงออกมาเต็มที่อ่ะนะมันมรูเรื่องหลักพอสําเร็จเสร็จกิจกิเลสไปแล้วคราวนี้ก็มาสำนึกได้ก็โอ้โหขายขีหน้าคราวนี้จะทํำยังไงนะให้มันบันนีบันนอมกันได้จะยังไงจะพูดยังไงดีคราวนี้ก็มีแต่ความโสกะปริเทวทุกขโทมนัสมัวหมองใจอยู่แล้ ว, ลวนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เข็ดไม่เข็ดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจลดละกิเลส จ, จริงจริงนะ ถ้ามาดูรายการที่ปฏิทิกเอามาให้มาดูประวติเนี่ยเขาลดน้าหนักะนะเด็กอะไรพระจอมเกล้าเขามาลดน้าหนักเด็กผู้หญิงะนะเขาน้าหนักรยอะไรนะเด <laughs> หลือ63ใช่หมหป โ, โอ้โหเราเข้ า, าในเจเดือนหรือ6กเดือนเนี่ยนะเจเดือนใช่ไหมมากกว่าครึ่งครับมากกว่าครึ่งเนี่ย ฟังแล้วลงงูงทําได้ไงเขาบอกเขาไม่ได้กินยาลดนหนักไม่ได้ทําอะไรแต่เขาบ่าเขาตั้งกติกาว่าเขาต้องลดให้ได้แล้วก็ลดของอร่อยโดยที่ไม่กินของอร่อยแล้วใจแบบไม่แบบไม่อยากจะใช้แบบสมถะแบบพุทธแบบนั่นเละสมถะแบบพุทธคือไม่ต้องไปนั่งหลับตายนะแกบอกแกไม่อยากเลยแล้วแกก็ไม่กินไปเลยเนี่ยตลอดเนี่ยแกแบบยังไงก็ไม่กิน แกนึกว่าถ้าไปกินแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนานที่จะลดน้ำหนักได้มันเสียเวลามากกินแค่มื้อเดียวนี่นะลดน้ําหนักเป็นเดือนเลยเสียเวลามากเลยแกบอกไม่เอาไม่เสียเวลาแล้วนะทําี่แต่มาผมนึกโอ้โหเออผู้หญิงไม่ถึงใจเด็ดขาดจริงๆนะครับยอมรับเลยโอ้แบบตั้งแล้วก็แบบยิ่งกว่าเราตั้งตะไบนะแกตั้งแบบเฉียบขาดเลยแบบไม่เอาอยู่แล้วนะบอกน้ําหนักมันลดถึง60เมื่อไหร่ใช่ไหม หรือเท่าไหร่เนี่ยบอกรอยสามเนหรือ68ครับและรถมากกว่านั้นเนี่ยคกบอกใค้กลับมากินอีกน้อยๆนะคือก็ให้รางวัลตัวเองคือสิ่งเหล่านี้ถึงได้เห็นเลยว่ารอยสามเอนและสินั่นแหะเป็นสมถะที่พวาครูบอกอ่ะเขาก็กดข่มอ่ะเขาก็ทำได้แล้วเราก็มาใช้ถ้าเกิดเขามีปัญญาวิปัสสนาตามที่พวกครูบอกอีกทีเนี่ยอตมาว่าเขาจะสามารถลดกิีลได้จริงนะเา้เาบอกเขาจะไม่กลับไปอ้วนแบบนั้นอีกแล้วเนี่ยทได้ขนาดนี้ถือว่า มันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะครูก็บอกว่าคนเราพันสร้างประเด็นมก่อนเลยว่าคนมันต้องลดกิเลสมาก่อนแล้วจะถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมไปได้นะนั้นสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเขาสามารถมาลดละกิเลสได้เนี่ยอาตมาเห็นความสําคัญสอดคล้องกับพวกครูได้ว่าถ้าสื่อเนี่ยสามารถที่จะมาลดตัวเองถ้าสื่อเนี่ยพิธีกรเนี่ยนะแบบต่างๆที่มาใส่เนี่ยใส่ผ้าถุงใช่ไหมพิธีกรมาใส่ผ้าถุงใส่เสื้อไม่ต้องถึงกุญอีดก็ได้ใช่ไหม ใครใส่จะมี <ทำ S 2> อยู่ช่องเดียวนี่แหละช่องบุญนิยมนี่แหละ <c oughs> ช่องอื่นนี่มากล้าแส่พระทูปมาแล้ว <c oughs> แล้วพิธีกรเราก็หน้าตาก็ผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใบหน้าสะอาดมากเลยคือไม่มีเครื่องสำอาง <c oughs> ที่พกทาเนอะ <c oughs> เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะ <c oughs> แล้วพรอครูก็ทูด ถ, ถึงพระเดรประยุทธ์ว่าอาตมาว่าก็เห็นด้วยนะว่าควรส่งเสริมท่านในการทําความดีครั้งนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากเลยเวลาพูดแนวโหแต่อาตมาว่ามีคนกล้าพูดมากเลยนะ กล้าบอกเลยว่าอย่างเนี้อย่างนี้ผมบอกผมต้องพูดอแต่มาชอบผมต้องพูดเมื่อคนที่เข า, ายังฟัง<ม>ท่านชื่อประยุทธ์ถ้านชื่อประยุทธ์ครับแปลว่ารบไม่ถอยครับมีคนต้องการฟังผมประยุทธ์อย่างไงคนที่ไม่ฟังผมก็ไปฟังอยู่แล้วไม่เป็นไรเราบอกเออด็ดขาดนี <laughs> ่ประเด็นนี้แต่มาช อ, ชอบมากเลยว่า อ, อพูดนำให้ไม่ได้แบบนี้สินะกล้าแบบนี้ในประเทศชาติไปรอดแน่นอนนะถ้าเป็นแบบนี้ได้แล้วก็สุดท้ายพ่อครูก็ ฝาสิ่งนี้กับสังคมไม่ว่าในประเทศปัจจุบันเนี่ยลดการชมไม่ได้ระดมการติกันให้มากขึ้นเป็นปิยาวาจาที่ทําให้เขาดื่มคําตําหนิให้ได้เป็นสุดยอดการศิลปะซึ่งอาจรมาว่าก็ดูพ่อครูเไว้ว่าท่านก็พยายามทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นสังคมมันจึงดีขึ้นในปัจจุบันนี้อาจมาว่าหนึ่งประเทศชาติในที่ดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่ยืนอยู่ได้ดีในหนึ่งมีในหลวงสองอาจมาก็ว่าพ่อครูก็เป็น อีกท่านหนึ่งที่ทําให้สังคมดีขึ้นขึ้นมาในปัจจุบันนี้ที่มันไม่ล้มแหลกแนะีเนรนาฏไปนะและแต่มาว่าถ้าดีขึ้ น, นคือเราก็ช่วยพลเอกประยุทธ์อีกท่านหนึ่งเนี่ยทำให้สังคมเมืองไทยมันดีขึ้นเราจะเห็นการเมืองไทยที่สิวิไลที่ดีขึ้นได้ถ้าเราช่วยกันเนี่ยเราจะได้เห็นสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้อะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ถ้ามีสามท่านใช่ไหมมีในหลวงมีพ่อครูแล้วก็มีนายชกอีกคนหนึ่งช่วยกันเนี่ยถ้าเราเชียร์ตีกองกระนําเชียร์กันเลยเอ้า ดูทีประเภทเราเคยรับหูรับตาบ้ากับใบยมุกมาบ้ากับความชัมม่วไปแล้วเราคงมาเชียร์คนเหล่านี้ที่มันหดรับหูหลับตาบ้างก็ได้นะตุมต้มๆๆๆซักยี่สิบปีอ่ะเห็นไหมดูซิประเทศชาติมันจะไม่ดีขึ้นไม่รู้ไปอัตม า, มาเขาเสริมนิดหนึ่งนะอัตมาชีวิตอัตมาที่เห็นเนี่ยพ้เอกเพลมีนก็พยายามช่วยสังคมประเทศชาติเป็นคนซื่อสัตย์ ได้เป็นคนทําจริงอดทนแต่ไม่เหมือนลีลาพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนลีลานี่ได้ประมาณหนึง่งและการลานั้นถูก ล, ละพลเอกเปรมทําก็ถูก ล, ละดีแล้ะแต่กาละนี้มันต้องถึงขั้นนี้แหละขั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮอนอัตมาว่าประเทศไทยมันถึงคราวมันถึงเหตุปัจจัย ไอการลงตัวระหว่างเหตุปัจจัยในอาตมาเองอาตมาไม่ไม่รู้จะไปพูดหรืออธิบายหรือ่ายืนยันยังไงได้แต่ว่าอาตมาก็เห็นว่าทุกอย่างถ้ามันได้ทั้งสัดส่วนกาลเวลาและองค์ประกอบที่มันได้สัดส่วนแล้วป่ ะ, ะมันจะลงตัวเป๊ะ เ, เป๊ที่อาตมาเกิดเพราะมาเริ่อนี้เป็นเรื่องกระจินใจเช่นพระพุทธเจ้าจะต้องอพระมหาโพธิสัตว์จะอุบัติขึ้นมาอะไรเนี่ย แผ่นดินต้องไหวทำไมต้องไหวมันดินน้ำไฟลมมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวทำไมพระเจ้าจะต้องตััสรู้กวันนั้นเกิดกวันนั้นตายกวันนั้นสมาคาเดือนดกมันเล่นลิเกหรือเปล่ามันต้องเป็นเช่นนั้นมันจะต้องลงตัวพอมาะพอดีทั้งรูปทั้งนามทั้งสิ่งที่มันนึกไม่ออกหรอกมันจะต้องลงตัวกันพอดีเลยพระเจ้านะคราวนี้อาตมาว่าน่าจะลงตัวนะประเทศไทย ลักษณะอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีท่าทีลีลาดูดีๆสิมีสภาพที่ลีลายมีทั้งอ่อนทั้งเหมือนจอมยุทธในหนังจีนอย่างไรอย่างนั้นเลยจริงรจอมยุทธในหนังจีนมีทั้งพิ้วไหวแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีทั้งโอ้อัตมาบอกไม่ถูกอัตมาก็ไม่เก่งภาษาไอ้กำลังภายในภาษาหนังจีนเท่าไหร่มา อ, อยู่ในตัวสม พร้อมเลยอาจามาว่าประนั้นผมว่าถ้ามีสามเศร้าตอนนี้มันเกิด3าเศร้าแล้วใช่ไหอ ม, มันเกิด3เศร้าเลยเนี่ยทั้งประมุกของชาติทั้งด้านศาสนาทั้งด้านผู้นําประเทศสา ม, ด, มาด้านแล้วเนี่ยแตมาว่าถ้าเราเชียร์นี้ให้มันสำเร็จตงไปได้เนี่ยเออประเทศชาติคงหวังได้แน่ว่าเกิดสิ่งที่มหัศจรรย์แห่งโลกดีที่สุดในโลกได้เนี่ย แต่มาว่าในชาตินี้เราน่าจะเห็นใช่ไหมใช่เกิดมา<ม>หัศจันจริงๆนะครับอืมเราน่าจะเห็นนะใช่ไหมในไหนก็เกิดมาแล้วนี่ก็เจอแล้วพระพุทธนิสสัต์เนี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยใช่ไหมเออจับเนื้อจบตัวได้อยู่เนี่ยนะเห็นพระมุขของชาติเห็นคนนี้เนี่ยแล้วเช<อ>ียร์เลยให้เต็มที่ไปเลยให้มัรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะถ้ามันไม่ได้ก็มไม่ได้ถ้าได้มันก็ได้เห็นผลไปเลยไหนๆก็ไหนๆไปแล้วเนี่ยแต่มาว่าทํากันให้สุดด้ามไปเลยแต่มาคิดว่านําจะเป็นผลที่ดีได้ก็ต้องขอกาบขอพระคุณพระครูด้วยความเคารพครับ แล้วก็กราบขอบคุณท่านนายกทนรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เราก็ให้กําลังใจประบรัติมเด็จพระอยู่หัวเราด้วยนะและพวกเราก็ร่วมมือร่วมไม้ทําให้สังคมดีขึ้นโดยที่ทําตัวเราอะให้ดีขึ้นทําตัวเราให้ดีขึ้นนั่นแหละเป็นการเชียร์ทั้ง3ท่านนี่แหละประเทศชาติก็จะไปรอดเช่นกันเอาจเจริญทําทุกคน